มรดบในมรดกการประดุคุณพระราชปัญญาเมธีขอจเจริญพรท่านประธานวิธีการศึกษาเพื่อสันธิภาพพระธรรมบิดกปอวิจิตรขอจเจริญพรท่านอาดีตกรรมบดีดหมหาวทาทิทยานพระสังพักสอนสุสสนันทาคณาจารย์นักศึกษาและสาวทีชนทุกท่าน มาขออนุมโมทนาในความพยายามและการกระทำอันเป็นกุศลในหลายด้านของหน่นิธิการศึกษาปพืสันธิภาพที่ตั้งขึ้นในานามของท่งานเจ้าคุณนําปิดกซึ่งวันนี้ก็ได้ดึงพระพุฒคุณาภรณ์ซึ่งเป็นความพยายามส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมให้เกิดสันติภาพขึ้นโดวยวิธีทางของการศึกษา ซึ่งไม่ได้มีความหมายครอบคลุมแต่เฉพาะในห้องเรียนแต่ว่าขยายความลงไปถึงกระบวนการในชีวิตทั้งชีวิตและโดยส่วนตัวก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ทางมูลนิธิได้นิมนต์อาตมามาเป็นองค์ปาถกสำหรับปตัตกถาที่จัดตั้งขึ้นในชายาของท้าเจ้าคุณธรรมปิฎก ซึ่งเป็นปราชญ์คนสำคัญไม่ใช่เฉพาะยุครัตนโกสินทร์เท่านั้นแต่เป็นปราชญ์สำคัญท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของไทยเนะดียวี่ท่านเป็นปราชญ์ร่วมสมัยของโลกปัจจุบันด้วยแล้วนอกจากเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมีความปิติที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงกระตันยุกะตะเวทิตาต่อท่านเจ้าคุณพระพรคุณาภรณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความกรุณาต่ออาตมาเป็นส่วนตัวและเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อในทางสติปัญญาแก่ผู้คน ท, ทั่วไปที่เป็นชาวพุทธ ซึ่งในส่วนนี้อาตมาเองก็ได้พลอยได้รับอ น, นิสสมด้วยในฐานะที่เป็นผู้ที่ติดตามอ่านงานของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรมพุนรพรมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนด้วยซ้ำเปือนักเรียนมัธยมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้แสดงกระตันยูกระตายวิธิตาธรรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน ของท่าจคุณอาจารย์ให้กว้างของออกไปให้สาธุิทชนได้รับรู้กว้างขวางขึ้นปรกาาถาในวันนี้อาตมาได้เจาะจงเอาเรื่องบริโภคนิยมเนี่ยมาเป็นประเด็นสำคัญในโลกปัจจุบันเราจะนิยามอย่างไรก็ได้ เราจะนิยามว่าเป็นยุคกระแสโลกาภิวัตน์ยุคคอมพิวเตอร์หรือว่ายุคนาโนเทคโนโลยีแต่ธมามคิดว่านิยามอันหนึ่งที่มีความหมายแล้วก็ตรงกับยุคปัจจุบันก็คือยุคบริโภคนิยมและยุคบริโภคนิยมตอนนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คน มีผลกระทบต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงในระบบนิเวศวิทยามีผลกระทบต่อชะตากรรมของโลกทั้งโลกดาวเคราะห์ดวงนี้ทั้งใบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในปวติศาสตร์ของเสียชาิยิ่งไปกว่า น, นั้นยังมีผลกระทบไปถึงแกนกลางแห่งจิตวิญญาณของผู้คนในยุค ป, ปัจจุบัน อย่างกว้างขวางใ น, นที่ไม่มีาศาสนาใดในโลกนี้เคยทำได้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบริโภคนิยมกันให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันและขณะเดียวกันก็สวยงหาห้นทางในการที่จะออกจาก อำนาจของบริโภคนิยมซึ่งในทศวรของอาตมาวิธีทางนั้นมีอยู่แล้ววิธีทางนั้นชื่อวิถีพุทธนะซึ่งเป็นวิธีไทยนะที่เราท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่รู้จักดีพอวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาทำความเข้าใจว่าวิถีพุทธนั้นจะเป็นวิธีไทยออกจากบริโภคนิยมได้อย่างไร ก่อนอื่นเนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบริโภคนิยมว่าบริโภคเนี่ยเวลาพูดถึงบริโภคนิยมเนี่ยเราหมายถึงอะไรเวลาพูดถึงสังคมบริโภคลักทธิบริโภคนิยมเนี่ยมันหมายถึงอะไรคําว่าบริโภคเนี่ยมันเป็นคําธรรมดาพื้นพื้นซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วคือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยก็ต้องบริโภคแต่ว่า สิ่งที่เป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของสังคมบริโภคประการแรกเลยที่เราคงจะสังเกตได้ก็คือว่าสังคมบริโภคเนี่ยเป็นสังคมซึ่งผู้คนเนี่ยผลิตสิ่งที่ตนไม่ได้บริโภคและบริโภคสิ่งที่ตนไม่ได้ผลิตไอ้ตรงนี้สําคัญนะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาผลิตในสิ่งที่ตนบริโภค และสิ่งที่บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองผลิตมากับมือเช่นข้าวผักเสื้อผ้าบ้านเรือนนะทั้งหมดนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยผลิตมากับมือนะไม่มีการซื้อไม่มีการไม่มีการใช้เงินะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เคยบรรยายสภาพของสังคมไทยที่ภาคอีสานคือจังหวัดขอนแก่นเมื่อร้อยปีก่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนคําบรรยายนี้เนี่ยจะให้ภาพเกี่ยวกับสังคมปัจจุบันสังคมสคมในอดีตว่ามันแตกต่างจากสังคมบริโภคคือสังคมในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงดีเฉพาะในเรื่องของการกลิตทนะ่านได้พูดถึงหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านในชนบทไทยสมัยก่อน ท่าเล่าว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยทำสวนปลูกผักฟักแฟงที่กินเป็นอาหารแล้วก็มีค อ, อกเลี้ยงหมูเลี้ยงไกนะ่ตามบ้านตามบ้านเนี่ยนอกลู่วไปเนี่ยก็ทําไร่ฟ้ายและสวนกล้วยสวนพลูมีการปลูกต้นหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมมีค อ, อกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจากหมู่บ้านออกไปถึงทุ่งนาเนี่ยชาวบ้านต่างมีนาทําทุกครัวเรือนทุกครัวเรือนสามารถหาอาหารและสิ่งซึ่งจําเป็นจะต้องใช้ในการเลี้ยงชีพได้ โดยกำลังลำพังตนเพียงพอและไม่อัตคัดในสังคมหมู่บ้านที่ว่านมีของเพียงสองอย่างที่ททชาวบ้านต้องซื้อเพราะทําเองไม่ได้ก็คือมีดพระและไม้ขีดไฟนอกนั้ น, นี่ชาวบ้านที่ทําเองหมดเลยนะแม้กระทั่งนะทอผ้าก็เลี้ยงไหมแล้วก็ทอกับมือนี่คือสังคมที่เป็นมาตลอดประวัติศาสตร์ของมุสยชาติจนกระทั่งมาเมื่อไม่ถึงร้อยปีนี่เองคือเมื่อเกิดสังคมบริโภคขึ้น เพระเมื่อกลัสังคมบริโภคขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราผลิตสิ่งที่เราผลิตเนี่ยมันไม่ได้เอาไปเราบริโภคไม่ได้เลยเช่นบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นช่างตัดผมบางคนอาจจะผลิตรองผลิตรองเท้าแต่ไม่ได้ไม่ได้บริโภคเองแต่เอาไปขายนะบางคนเป็นนักทำบัญชีบางคนเป็นผู้ผลิตวงจรไฟฟ้าทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้บริโภคเองเลยแต่เอาไปขายและสิ่งที่ตัวเองบริโภคก็ซื้อออกมา นะเช่นอาหารนะเสื้อผ้านี่คือลักษณะของสังคมบริโภคที่แตกต่างจากสังคมในอดีตมาโดยตลอดนี่คือลักษณะที่หนึ่งของสังคมบริโภคคราวนี้ลักษณะประการที่2ก็คือว่าสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยบริโภคนี่นะสังเกตดูในยุคสังคมปัจจุบันเนี่ย มันไม่ใช่เป็นสิ่งจะเป็นพื้นฐานคือไม่ใช่ปจัจจัยสีแต่มักจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งให้ความเพลิดเพลินรูอหลาฟุ่มเฟือยเช่นโทรทัศน์กล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าวิดีโอนะเราจะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่นี่คือลักษณ ะ, ะการที่3มนะเวลาว่างส่วนใหญ่นะที่มีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปจกเดิม สมัยก่อนนี่ชาว บ, บ้านมวยเวลาว่างเนี่ยเขก็จะทอผ้าเขาก็จะสานกระบุลตะ ก, ก้าหรือไม่ก็อาจจะร้องลัมทําเพลงแต่ว่าในสังมบริโภคเนี่ยเวลาว่างส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการเสพไม่ได้ใช้ไปกับการทําไม่ได้ทอผ้าไม่ได้สานกระบุลตะ ก, ก้าแต่เสพเสพอะไรนะเสพเนี่ยสิ่งอํานวยความสุดว ต, ต่างๆดูหนังไปฟังดนตรี หรือว่าไปคอนเสิร์ตรวมทั้งที่สำคัญคือไปเที่ยวช้อปปิง้งนะเที่ยวห้างแล้วก็ที่ใช้กันมากปัจจุบันคือการใช้โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือหรือว่าการท่องอินเทอร์เน็ตพวกนี้เป็นการเสดทั้งสิ้นนะไม่ใช่เป็นการผลิตเลยนะนี่คือการใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ของคนในยุคสังคมบริโภคและที่สนนําคัญตอนแรคือว่าสิ่งที่ผู้คนนิยมบริโภคเวลานี้เนี่ย มันไม่ใช่จากัดเฉพาะวัตถุที่จับต้องได้ไม่ใช่อาหารนะไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือนะแต่ว่ามันยังรวมถึงการเสพสิ่งที่เป็นนามนธรรมเช่นการเสพประสบการณ์หรือการเสพ บ, บริการต่างๆนะดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวเล่นเกมผตนภัยพวกนี้เนี่ยมันเป็นการไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะเป็นการเสพประสบการณ์นะ ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของวัตถุรูปธรรมตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างจากสังคมของมนุษย์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและการเสพเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเสพในสิ่งซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็เช่นยี่ห้อ ย, ยี่ห้อหรือที่เราเรี Brand. เยกว่าแบรนด์แบรนด์คือสินค้า สินค้าเนี่ยตัวมันเองเนี่ยไม่มีความหมายจนกว่ามันจะมียี่ห้อที่ดังๆนะถ้าเป็นยี่ห้อดังมากเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นที่ต้องการมากเท่านั้นเราเสพสัญลักษณ์เราเสพโลโก้เราเสพ ย, ย, ยี่ห้อนะของชิ้นเดียวกันแต่ถ้าไปซื้อที่สำเพลงเนี่ยนะมันไม่มีความหมายเลยแต่ถ้ามันติดยี่ห้อเช่นโรเลกหรือว่ า, าหรุยส ว, วิตตองช a n นล ไนกี้นะอันนี้เนี่ยนะคนก็จะเข้าหากันนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายของความเท่ความทันสมัยนี่คือการบริโภคอย่างหนึ่งในในยุคบริโภคนิยมนะซึ่งมันแตกต่างจากการบริโภคของคนในสมัยก่อนคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะอธิบายต่อไปนะอยากจะให้เรามา ดูสังเกตถึงลักษณะการบริโภคที่มันเปลี่ยนไปของผู้คนในปัจจุบันให้ชัดเจนขึ้นนะเราจะสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งในชนบทเนี่ยนะสินค้าที่วางขายตามท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสินค้าที่จำเป็นแก่การดาเนินชีวิตสมัยสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยสินค้าที่วางขายตามตลาดเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกแฟ็สบู่ยาสีฟัน นะอาจจะเป็นข้าวสารเกลือน้ำตาลนะนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตแต่ต่อมาเนี่ยไอสินค้าที่มาวางขายตามท้องตลาดมันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตแต่มันเป็นสิ่งที่ตอบสนองปลนเปลอประสาททั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายเขาจะโฆษณาว่าของชิ้นนี้อร่อยนะ หรือว่ามันสะดวกสบายรถคันนี้สะดวกสบายแอร์คอนดิชันเครื่องปรับอากาศนะมันทำให้เราอยู่สบายมากขึ้นนะสินค้านี่จะเป็นเน้นเรื่องความเพลิดเพลินทางภาษาทั้งห้านะแต่ในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตนะว่ามันจะมีสินค้าประเภทใหม่ เกิดขึ้นมาที่ไม่ได้ส่งเสริมปลนเปราผัสสะทั้งห้าแต่มันจะเป็นการพยายามสร้างเสริมภาพลักษณ์ของเราเป็นสินค้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์บุ ค, คลิกความทันสมัยความภูมิฐานลองสังเกต ด, ดู โฆษณาในปัจจุบันในโทรทัศน์เนี่ยเหมือนจะเป็นยาผมยาสระผมหรือว่าครีมทั้งหลายทั้งปวงนะเขาจะไม่บอกเลย ว, ว่ามันถูกยังไงนะมันถูกสุขลักษณะยังไงแต่จะบอกว่ามันทำให้เรามีภาพลักษณ์อย่างไรบ้างสวยงามเท่มีเสน่ห์อย่างไรตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงของ การบริโภคเราไม่ได้บริโภคในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเราไม่ได้บริโภคเพราะว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตเราไม่ได้บริโภคเพียงเพราะว่ามันทําให้เกิดความ อ, ร, อร่อยแต่เราบริโภคเพราะมันทําให้เราได้เป็นอะไรบางอย่าง เป็นคนใหม่เป็นคนเทศเป็นคนทันสมัยถ้าพูดอย่างถ้าเอาแนวคิดแบบพุทธศาสน า, ามาจับเนี่ยก็คือว่าการเสกของคนในยุคปัจจุบันนะมันเริ่มเปลี่ยนเพราะมีแรงจูงใจที่เรียกว่าตัณหาที่แตกต่างจากเดิมตัณหาเนี่ยที่สำคัญเนี่ยมีอยู่สอง การมาตันหาความจริมี3นะแต่ว่าในในวันนี้เนี่ยจะพูดแค่สการมาตันหาคือความอยากแรงผลักดันความอยากเสพอยากมีในสิ่งซึ่ที่ปลนเปล่าตาหูจมูกลิงกายเช่นอาหารที่อร่อยเพลงที่ไพเราะภาพที่สวยงามนะหรือว่าสัมผัสที่นุ่มนวล น, นะสมัยก่อนเนี่ยสินค้าที่มาขายเราเนี่ยจะเน้นตรงนี้ ภาพที่ภาพที่สวยเพลงที่เพราะนะเสียงที่ไพเราะรสรสชาติที่อร่อยอร่อยนะอันนั้นเป็นเรื่องของการตอบสนองการาตันหาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริโภคนิยมเนี่ยจะมาเน้นที่การตอบสนองภาวะตันหาตันหาประเภทที่2ก็คือความอยากเป็นอยากเป็นไม่ใช่อยากมีนะ การมตั้หารในเรื่องการอยากมีอยากเสพเพราะว่าตั้หารเป็นเรื่องการอยากเป็นอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนเด่นคนดังอยากเป็นคนทันสมัยอยากจะเป็นคนสวยคนงามนะอยากจะเป็นคนที่มีบุคลิกมา ก, ม า, ม, ากมากมันนะตรงนี้เนี่ยบริโภคนิยมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหันมาดึงดูดและตอบสนองเพราะว่าตั้หารมากขึ้นคือความอยากจะเป็น เป็นนั่นเป็นนี่แล้วเราจะสังเกตว่าการโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเน้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าคุณได้เสพของชิ้นนี้แล้วเนี่ยนะคุณจะเป็นคนเท่คุณจะเป็นคนทันสมัยนะใครๆก็จะเหลียวมองคุณจะเป็นคนที่มีบุคลิกมากมาัดมัมม่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฆษณาเขาก็จะเน้นเรื่องของพรีเซนเตอร์หรือเอาดาราหรือเอาคนดังเนี่ยมาเป็นตัวตัว เป็นพรีเซนเตอร์ในการโฆษณา เ, เพื่อที่จะบอกเป็นในๆว่าถ้าเราใช้สินค้า ย, ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นเนี่ยเราก็จะมีบุ ค, คลิกแบบพรีเซนเตอร์คนนั้นมันม่นมั่นโมเดิร์นแมนสวยหวานสวยหรือว่าหวานนะฉลาดนะทันสมัยนะหรือมิฉะนั้นก็จะเน้นว่า ถ้าเราได้เซตได้ใช้สินค้านีแ้แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนอย่างที่พรีเซนเตอร์ในโฆษณาเขาแสดงให้เราดูเกิดความปิติเกิดความภูมิใจนะไม่ใช่เพราะอร่อยไม่ใช่เพราะมันนุ่มสะดวกสบายแต่เพราะว่าได้เป็นอะไรบางอย่างตรงนี้แหละที่มันตอบสนองสิ่งที่ทางพิทยาศาสตร์เรียกว่าภาวะตัณหาเพราะนั่นจะสังเกตว่าในยุคบริโภคนิยมเนี่ย สิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตรงนี้ได้เนี่ยก็คือยี่ห้อนะสินค้านี่จะผูกติดกับยี่ห้อมากขึ้นที่เราเรียกว่าแบรนด์หรือว่าโลโก้สินค้ารสชาติอย่างเดียวกันน้ำสีดำรสชาติคล้ายๆกันแต่มีผลต่อจิตใจไม่เหมือนกันสำหรับผู้บริโภคนยุค ป, ปัจจุบันเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะผ้าเนื้อเดียวกัน นะสองตัวเนี่ยผ้าเนื้อเดียวกันสีเหมือนกันเลยแต่อาจจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันกับผู้ใส่เพียงเพราะเหตุเดียวก็คือว่ามียี่ห้อดังหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าหรือสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะโชว์ที่ยี่ห้อยี่ห้อของเสื้อนี่แต่ก่อนก็อยู่อ ย, อ ย, อยู่อยู่หลังปกเสื้อดี๋ยวนี้ต้องออกมาโชว์นะให้คนเห็นว่าฉันใส่เสื้อยี่ห้ออะไร โทรศัพท์มือถือก็แข่งกันที่ยี่ห้อไม่ได้แข่งกันเฉพาะตัวคุณลักษณะหรือว่าสเปคเท่านั้นแต่แข่งกันที่ยี่ห้อน้ำอัดลมน้ำดำําน้ำขาวมันอยู่ที่ยี่ห้อเพราะเราไม่ได้กินเพราะมันอร่อยนะเราไม่ได้กินน้ำยี่ห้อที่เพราะมันอร่อยแต่เพราะเราอยากจะเป็นคนรุ่นใหม่ในทํานองเดียวกันเราใส่รองเท้ายี่ห้อ น, นี้ไม่ใช่เพราะมันนุ่มเท้าไม่ใช่เพราะมันทน แต่เพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่ไทเกอร์วูดก็ใส่ไมเคิลจอแดนก็ใส่มันเป็นยี่ห้อดังใช่ไหมเราใส่เราซื้อเพราะยี่ห้อกันมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้คือตลาดในระดับบนนะระดับล่างนี้ก็อาจจะยังแข่งกันเรื่องของราคากันอยู่นะถ้าอันไหนถ้าราคาถูกก็ซื้อแต่ว่าพอคนที่มีเงินมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วฮะเรื่องราคาถูกรือแพง หลายคนที่จะมารู้จักนะสวมใส่ใส่ใสภพายกระเป๋าใบาละหนึ่งล้านใบละหนึ่งล้านบาทถามว่ามันสวยหรือเปล่าถามว่ามันทนหรือเปล่าเขาไม่สนใจนะแต่ก็สนใจตรงยี่ห้อนะเพราะว่ใส่ยี่ห้อนี้แล้วเนี่ยมันจะเท่จักการเป็นคนบู ค, คลิปมากมันจะการคนมีเทสมีระดับเห็นไหมเนี่ยคือปัจจุบันนี้เราบริโภคเนี่ยเราเราเราไม่ได้เราบริโภคยี่ห้อกันนะ ยี่ห้อเนี่ยคือสัญลักษณ์นะและที่เราบริโภคยี่ห้อเพราะว่ายี่ห้อเนี่ยมันมันจะสอถึงบุ ค, คลิกของเราหรือมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะมีบุ ค, คลิกแบบนั้นมานมีผลต่อภาพลักษณ์ของเราตรงนี้เราเริ่มจะบริโภคสิ่งที่เป็นนา ม, มารธรรมเข้าไปทุกทีแม้บริโภคนิยมนี้มันเป็นวัตถุนิยมแบบหนึ่งนะเป็นวัตถุนิยมซึ่งเราเสรวัตถุเนี่ยแต่ไม่ใช่เพราะว่ามันสนองความ ความเพลิดเพลินทางตาผูุ้ิมงลิ้งยอย่างที่เราเรียกว่ากามเราไม่ได้เสพเราไม่ได้เสพสิ่งที่เป็นการแต่เราเสพคุณค่าภาพลักษณ์บุ ค, คลิกที่มากับยี่ห้อซึ่งมันเป็นเรื่องที่เลยไปจากการการเนี่ยมันก็ก็คือเรื่องตาเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจแต่ว่าเรื่องของยี่ห้อมันเป็นเรื่องของผลทางจิตใจ เพราะเรารู้สึกว่าเราได้เป็นใครบางคนเราได้เป็นคนทันสมัยนะถ้าใส่ไนกี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นผู้ชนะนะ่มีรู้สึกว่าเราใกล้เคียงกับ Tiger Wood ดหรือ m i c h ค e l จอร์แดนะถ้าเรากินยี่หออน้ำอรดลมที่ห้อนีออนน้เรารสึกเราเป็นคนรุ่นใหม่นะมันอร่อยไม่อร่อยเนี่ยสำคัญเป็นรองแต่ที่มันก็คือว่านักกีฬาคนนี้ ดาราคนน<ห PA>ี้ก็กินน้ำอัดลมยี่ห้อนี <why? S 3> mm. ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะกินน้ำอัดลมยี่ห้อนี้มเพราะเราอยากจะเป็นเหมือนดาราคนนี้เหมือนกับนักกีฬาคนนี้นั่นคือว่าเราเชื่อว่าถ้าเรากินยี่ห้อนี้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่เท่กว่าเดิมเป็นคนที่มีบุคลิกมั่นเหมือนกับดาราเหมือนกับนักร้อเหมือนกับนักกีฬา นะเหมือนกับคนเด่นคนดังที่เขาเอามาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ทั้ยกันคนเวลานี้ไปกินกาแฟเนี่ยไม่ใช่เพราะกาแฟมันอร่อยนะไม่ใช่เพราะบันทูกนะหลายคนเวลานี้กินกาแฟยี่ห้อดังๆนะถ้วยละเป็นร้อยนะอย่างเช่นเวล า, านี้ก็ กิรายอั น, อ น, อนกาแฟยอย่างสตาร์บัคเนี่ยนะสตาร์บัคเนี่ ย, นยคนไปกินกาแฟนี่ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เพราะรสชาติแต่เพราะว่าเขาริได้ได้ได้กินกาแฟนี้แล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวล้ําไม่ใช่ทันสมัยนะแต่ว่าล้าสมัยเลยนะบรรยากาศในร้านอย่างสตาร์บัคเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนพิเศษนะ เป็นคนซึ่งเรียกว่าอยู่้ํายุคโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตสินค้าเนี่ยนะเขาจะวางตัวสมัยนี้เขาเรียก positioning เขาจะวางบทบาทใหมายว่าเขาจะไม่ผลิตเขาจะไม่ผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุแล้วแต่เขาจะมาผลิตภาพลักษ์ผลิตภาพลักษณ์แทน ก็คือการพยายามเอาพยายามสร้างภาพหรือใส่บุ ค, คลิกลงไปในยี่ห้อนะลงไปในยี่ห้อให้มากขึ้นให้เกิดความรู้สึกว่ายี่ห้อนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่มีบุ ค, คลิกอย่างนี้อย่างนั้นตามที่ผู้ผลิตต้องการยุคแต่งเช่นไนกีตอนนี้เนี่ยเขาประกาศว่าเขาไม่ใช่เป็นบริบรษัทผลิตรองเท้าแล้วนะ ไนกี้บอกเขาไม่ได้เป็นบริษัทรองเท้าแล้วแต่เขาเป็นบริษัทกีฬาเขาไม่ได้ขายรองเท้าแต่เขามุ่งเพิ่มพูณชีวิตผู้คนผ่านกีฬาและการออกกับนังกายใ น, ในกี้ประกาศตัวนะว่าตัวเองนี้ไม่ได้ขายรองเท้านะแต่เขาเขาขายชีวิตใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีชีวิตที่ร่ำรุ่มรวยยิ่งกว่าเดิม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยรองเท้า n นกี้เนี่ย เ, าเลาเคยส่งมาผลิตที่อินโดนีเซียบ้างมาผลิตที่ไทยมามาผลิตที่เวียดนามมัเรื่องการผลิตสินค้าเป็นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ป น, ปนรูปธรรมเนี่ยเขาไม่เอาละนะอันนี้ขอให้เป็นเรื่องของบริษัทประเทศโลกที่3โลกที่สมผลิตรองเท้าแต่เขาจะผลิตบุคลิกผลิตภาพลักษณ์ที่มากับยี่ห้อดเซลนะ ดีเซลนี่ไม่ทราพราเรารู้จักนะดีเซลไม่ใช่น้ำมันดีเซลนะเป็นยี่ห้อหนึ่งเขาประกาศว่าเขาไม่ได้ขายกางเกงยียนแต่เขาขายสไตล์ในการดำเนินชีวิตที่ทันสมัยเขาไม่ได้ขายกับกางเกงยียนแล้วนะฮะเขาขายสไตล์หรือไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตที่ทันสมัยกางเกงยียนใครๆก็ผลิตได้แต่การที่จะผลิตไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตททันสมัยเนี่ยมันมีไม่กี่เจ้าที่ผลิตได้ ร้านบอดี้ช็อนะซึ่งหลายคนอาจจะเคยรู้จักเขาขายเพื่ผลิตภัณฑ์เขาบอกมีผลิตภัณฑ์ขายในร้านแต่เขาบอกเขาไม่ได้ขายเครื่องสําอางบอดี้ช็อปเขาบอกไม่ได้ขายเครื่องสําอางแต่เขาเป็นผู้นําเสนอปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิสตรีการรับสิ่งวัตถุและธุรกิจที่มีจริยธรรมหมายความว่าเวลาคนไปซื้อคนไปซื้อผลิตภัณฑ์ในร้าน b o d y ้ช็อเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเขาเนี่ย เป็นคนซึ่งมีแนวคิดใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือเป็นพวกผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาไม่ได้ซื้อเครื่องสําอางแต่ซื้อความรู้สึกคนไม่ได้ไปบริษัช็อปเพื่อซื้อเครื่องสําอางเท่านั้นแต่ซื้อความรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันเป็นคนที่เห็นคุณค่าของสิงทธิสตรีนะ IBM บอกฉันไม่ได้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์นะ IBM บอก แต่ขายวิธีแก้ปัญหาธุรกิจคอมพิวเตอร์ใครๆก็ผลิตได้นะพันทิพย์ก็ผลิตได้คอมพิวเตอร์แต่วิธีแก้ปัญหาทางธุรกิจเนี่ยมีไม่กี่คนที่มีไม่มีไม่กี่เจ้าที่ผลิตได้นะเขาจะสังเกตว่าสิ่งที่เขาขายตอนนี้เขาไม่ได้ขายสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะครับเาจะขายสิ่งที่เป็นนามธรรมนะบุ ค, คลิกภาพลักณ์สติปัญญาหรือว่าไลฟ์สไตล์ นะความมีบุคลิกมากมั่นนะความเป็นคนทันสมัยความเป็นคนโก้เก๋เขาขายสิ่งที่เป็นนามธรรมามากขึ้นเรื่อยๆโดยผ่านการเสนอขายยี่ห้อหรือว่าแบรนด์นี่คือลักษณะของบริโภคนิยมนะซึ่งมันพัฒนามาจนถึงจุดนี้ มันเป็นวัตถุนิยมที่มีความแนบเนียนมากเพราะว่าเป็นการเป็นวัตถุนิยมที่ที่คนเนี่ยไม่ได้เสพวัตถุเพื่อตอบสนองตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เสพเพราะว่ารูรกลดจนเสียงสัมผัส ม, สมันอ ร, อร่อยอร่อยมันน่าพอใจมันนุ่มนวนสบายแต่เสพความรู้สึกเสพภาพลักษณ์ที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าฉันเป็นคนใหม่ เป็นคนที่ดีกว่าเดิมมันเป็นเรื่องทางใจนะฮะแต่อาศัยการเสพในสิ่งที่เป็นวัตถุแต่เป็นวัตถุที่เป็นลักษณะของสั ญ, ญลักษณ์คือยี่ห้อตนะอนนี้เนี่ยบริโภคนิยมเนี่ยนะถามว่ามันมาได้อย่างไรนะบริโภคนิยมหรือวิธีการบริโภคแบบนี้ไม่ใช่มีมามีมาสมัยพ่อกุณลำคําแหงนะฮะมันเพิ่งมีมาเมื่อไม่ถึงร้อยปีมานี้เอง ถ้าจะวาไปาก็มีมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ น, นะแต่เกิดขึ้นเพราะมีการตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะทำไมถึงตั้งใจใเกิดขึ้นก็เพราะว่าในยุค ป, ปัจจุบในหลังจากที่เรามีการพัฒนาอุตสาหการรมขึ้นมาเนี่ยระบบทุรนิจเนี่ยสามารถจะทำให้สามารถผลิตสินค้าต่าง มาได้มากขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยสมัย100ปีก่อนเนี่ยฟอร์ดเนี่ยผลิตรถยนต์ได้วันละสองสาคันนะแต่ฟอร์ดนี่เขาปฏิวัติการผลิตจนกระทั่งสามารถจะผลิตรถยนต์ได้นะวันละหลายร้อยนะหรือเป็นพันคันโดยอาศัยโรงงานเพียงโรงงานเดียวนะ ผลิตมากๆเช่นนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาแท้ว่าต่างคนต่างก็ผลิต GM ก็ผลิต Chrysler ก็ผลิต Toyota ก็ผลิต Nissan ก็ผลิตรถมันก็เหลือใช่ไหมรรถมันก็ผลิตล้นตลาดเสื้อผ้าก็เหมือนกันโรงงานนี่ผลิตวันหนึ่งเนี่ยได้เป็นพันเป็นหมื่นตัว ถ้าคนยังบริโภคเหมือนเดิมเดิมเหมือนคนสมัยก่อนคือปีหนึ่งมีแค่เสื้อสองตัวคนชนบทค น, นีสามสมัยก่อนเนี่ยปีหนึ่งมีแค่เสื้อสองตัวนะถ้าคนซื้อเสื้อปีละ2ตัวเนี่ยถามว่าไอ้ที่ผลิตมาได้เยอะๆเนี่ยมันขายออกไหมสินค้าก็ล้นตลาดรถก็เจ๊งนะโรงงานก็พังก็ล่มเพราะคนบริโภคน้อยเพราะคนสมัยก่อนเขามืนมัธยักษ์ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความพยายามที่กระตุ้นให้คนบริโภคมากขึ้นเพื่อที่ของจะได้ไมล้นตลาดอันนี้แหละคือที่มาของสังคมบริโภคคือสังคมที่กระตุ้นให้มีการเสรการบริโภคมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนคุณค่าเปลี่ยนวัฒนธรรมมีคนก็ึพูดไปสนใจนะฮะว่าบริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้อันนี้เป็นนักเขาเป็นนักธุรกิจหลังส ง, ส ง, งรครามโลกครั้งที่สองนะชาวอเมริกันก็บอกว่า เศรษฐกิจของเราตอนนี้มีความสามารถในการผลิตอย่างล้นเหลือดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้การบริโภคกลายเป็นวิถีชีวิตของเราทำให้การซื้อและใช้สินค้ากลายเป็นพิธีกรรมไม่ใช่ประความจำเป็นแต่เพราะเป็นพิธีกรรมคือต้องทำทำให้เราเสาะแสวงหาความพึงพอใจทางจิตวิญญาณและการปลนเปลืปลตัวตนด้วยการบริโภค คือหาความพึงพอใจในทางจิตใจหรือการมีตัวตนใหม่โดยสายการบริโภคเราจะเป็นต้องเสพสินค้าผลานให้หมดทำให้โทมซื้อของใหม่และทิ้งมันให้เหือวขึ้นกั่เดิมนี่คือนี่คือยุทธวิธีของอนักธุรกิจนะที่กระตุ้นให้เกิดสังคมบริโภคขึ้นมาคือเขาต้องการให้เราเนี่ยบริโภคให้มากๆนะ ซื้อเยอะๆเพื่อความสุขทางใจและเพื่อสนองตัวตนนะใช้ให้หมดไวๆทำให้มันโทรมเร็วๆแล้วซื้อของใหม่นะไวๆและทิ้งมันให้เร็วขึ้นกว่าเดิมถ้าซื้อรถ10ปีทิ้งนี่มันไม่ไหวเศรษฐกิจอ่ก็ไม่จะเลยเขาก็เลยวัดเนี่ยซื้อรถแค่2อสปีแล้วก็เปลี่ยนหรือซื้อปีเว้นปียิ่งดีเลยนะมีรุ่นใหม่เข้ามาก็ต้องขาย อันนี้เห็นได้ชัดกับโทรศัพท์มือถือนะโทรศัพท์ก็ยังใช้ได้แต่ว่าทําไมเนี่ยใช้6เดือน3เดือนบางทีไม่ถึงปีเปลี่ยนละเพราะอะไรเพราะว่าถูกล่อให้ซื้อของใหม่อันนี้คือวิธีการของเขาเพื่อที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะทําให้การผลิตเนี่ยมันผลิตออกไปได้เรื่อยๆทําให้สินค้าไม่ลดตลาดทําให้ผู้ผลิตคือนายทุนเนี่ยเขาสามารถที่จะมีของขายได้ตลอดเพราะฉะนั้นเขายังต้องทําให้เราเนี่ย บริโภคอยู่เรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมือสินค้าให้ไวขึ้นนะแม้แต่เมืองไทยเองเนี่ยเมื่อจอมพลสฤษดิ์มาปฏิวัติแล้วก็ได้ครองยึดครองประเทศตั้งแต่2501ถึง2506เนี่ยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเป็นผู้ที่ลิเริ่มแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกแล้วจอมพลสฤษดิ์พบว่าเศรษฐกิจไทยมันจะไปได้ช้า ถ้าคนไทยเนี่ยยังบริโภคแบบสมถะยังมีคติความเชื่อเรื่องสันโดษเพรา ะ, ะั้นจอมพลสฤษดิ์ก็เลยมีปีนี้ก็เลยนี้ก็เลยประกาศขอร้องพระสงฆ์ทั่วประเทศขอให้เลิกสอนเรื่องสันโดษนะจอมพลสฤษดิ์ขอร้องพระนะว่าอย่าสอนเรื่องสันโดษเพราะถ้าสอนเรื่องสันโดษแล้วเนี่ยการปฏิวัตนะิท่านใชนก้ก็การปฏิวัติเนี่ย มันจะไม่สําเร็จการพัฒนาเนี่ยจะไม่เจริญก้าวหน้าอันนี้หมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้สองกบฏโภคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่งเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดขึ้นจากการที่มีการวางแผนแล้วก็มีการพยายามที่ผลักดันให้ไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นคือวคนไทยเนี่ยตอนหลังก็เลยมีคติว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาศักดิอเราจำได้ไหมฮะสมัยจอมมัสลุริตเนี่ยสมัยตะมาเด็กๆเนี่ยเราจะมีคําขอ่างานคือเงินเงินคืองานบันดาสุขศัอให้คนทืย หาเงินให้มากขึ้นทำงานให้มากขึ้นหาเงินให้มากขึ้นเพราะคนในสมัยก่อนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินก็มีเงินจะไปทําอะไรฮะก็ซื้อแค่ไม้ขีดไฟล์กับพระเนี่ยสองอย่างเนี่ยมีประโยชน์คนไทยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินเท่าไหร่แต่ตอนหลังเนี่ยพอมีการกระตุ้นให้บริโภค ม, มากขึ้นมี ค, ามคามํามขวยาวงานคือเงินเงินคืองานบรรดาสุขก็เลยเอา ล, ละเงินก็เริ่มกลายมาเป็นใหญ่เพราะถือว่างานกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกัน นี่คือการเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วนะฮะสมัยตะาหมายังทันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิถีชีวิตมันมันเปลี่ยนไปวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปในสังคมบริโภคเปลี่ยนไปอย่างไงอันที่หนึ่งเนี่ยคนเนี่ยกลายเป็นผู้บริโภคเต็มตัวคือบริโภคสิ่งที่ตนไม่ได้ผลิตและผลิตสิ่งที่ตนไม่ได้บริโภค คนนิตามาก็คือว่าถ้าอยากต้องการอะไรก็ใช้เงินซื้อเอาเพราะทําเองไม่เป็นนะอย่างหลายคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ผมค่าไม่เป็นทำผลค่าไม่เป็นก็ต้องซื้อเอานะไม่ต้องพูดถึงตัดตั ด, ตดเสื้อผ้านะตัดเนื้อตัดเสื้อผ้านี้ทํำก็ไม่เป็นเงินละก็ต้องซื้อเอานะเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นผู้บริโภคหรือถึงจะทําเป็นก็คลานที่จะทําขี้เกียจทํา เพราะไปมองว่าทําเองเนี่ยมันเสียเวลาไม่ทันสมัยไม่สะดวกสบายเท่ากับไปซื้อของนะไปซื้อเอาสมัยตมานี่คุณแม่นี่เราอยากได้แล้วนี่คุณแม่ตัดเองให้หมดแม่ก็ทั้งกางเกงว่ายน้ำนะแต่เราเนี่ยเป็นเด็กๆ เ, เราคิดว่าไอ้กางเกงว่ายน้ําเนี่ยที่แม่ตัดให้เนี่ยมันไม่เข้าท่าเลยมันสู้ ที่เขาวางขายในร้านไม่ได้ตอนมีความรู้สึกว่าเนี่ยไอ้ของที่ซื้อเนี่ยมันดีกว่าของที่ทําเองอาหารที่ซื้อเนี่ยมันอร่อยกว่าอาหารที่พ่อแม่ทําเองค่านิวแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานะเรารู้สึกเลยว่าให้พ่อแม่รักษาเนี่ยเวลาลูกป่วยเนี่ยมันไม่แน่ใจ ต, ต้องพาต้องพารูปไปคลินิกมันจะชัวร์กว่าพ่อแม่สอนลูกไม่ดีเท่ากับส่งลูกไปเข้า nursery ส่สงลูกไปเข้าโรงเรียน ซึ่งต้องใช้เงินเราถูกสอนว่ารักพึ่งตัวเองรักษาตัวเองเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับไปให้คนอื่นเข้ามาช่วยรักษาให้อันนี้คือการเปลี่ยนคนให้การเป็นผู้บริโภคคือทําเองไม่เป็นพึ่งตัวเองไม่ได้นะแต่ต้องไปซื้อบริการหรือต้องไปซื้อสิ่งต่างๆจากผู้อื่นอันนี้เราเริ่มการเป็นผู้บริโภคเต็มตัวประการที่2เนี่ยเมื่อเป็นผู้บริโภคเต็มตัวเนี่ยทุกอย่างต้องใช้เงินอยากจะได้อะไรต้องใช้เงินซื้อ อยากจะทําอะไรอยากอยากจะเสพอะไรต้องใช้เงินซื้อทำเองไม่เป็นเงินก็เลยกลายเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตเงินเริ่มกลายเป็นสิ่งสําคัญขึ้นมาในชีวิตนะซึ่งสมัยก่อนไม่เป็นเช่นนั้นเพราะสมัยก่อนนี่อยากได้อะไรทําเองไม่ต้องใช้เงินไม่มีเงินก็ได้แต่สมัยนี้ทำเองไม่เป็นแล้วหรือทำเองเป็นก็รู้สึกไม่เท่ไม่ทันสมัยซื้อเอาดีกว่าเพราะฉะนั้นเงินก็เริ่มมีความสําคัญในชีวิตและจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตอย่าเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยนะ คำอวยพรของหลวงพ่อคูณเนี่ยไม่มีอันไหนที่คนไทยอยากจะได้มากเท่ากับขโมยความว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยใช่ไหมอยู่แล้วเป็นสุ้มนี่ไม่สนใจนะแต่บ้านนี้อยู่แล้วรวยนี่ฉันเอาไว้ก่อนนะเงินเนี่ยความรั่งรวยนะกลายเป็นจุดบายของชีวิตเคยมีการทําวิจัยอสอเพางความเห็นนะคนไทยเมื่อหลายปีก่อนไม่ถึง10ปีที่แล้วนี่ บกว่าร้อะแปดสิบอกว่าต้องการร่ำรวย180นะร้อลปดสิบนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนไทยน้อยมากสมาชิกว่าน้อยมากที่บอกว่าต้องการร่ำรวยเมื่อเร็วๆนี้เมื่อสักเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์นิติเอศวงคิวบ์ความพูดถึงว่าสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยเคยถามเพื่อนๆว่าอยากจะเป็นอะไรนะเพื่อนๆที่เป็น ท, ที่ที่จบที่กำลังเรียนมหาทยาลัย น, นะอยากจะเป็นอะไร คนนึงก็บอกอยากจะเป็นครูคนนึงก็บอกอยากจะเป็นวิศวกรคนนึงก็บอกอยากจะเป็นข้าราชการนะคนนึงก็บอกว่าอยากจะเป็นแฟนของเพื่อนเอ้ยอยากจะเป็นเมียเพื่อนอะไรเนี่ยแต่ไม่มีใครสักคนบอกว่าอยากจะเป็นเศรษฐีนะไม่มีสักคนนะที่บอกอยากจะเป็นเศรษฐีแต่รุ่นนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าถามเนี่ยอาจมาคิดว่าเนี่ยร้อยมากกว่าร้อยบอกว่าอยากจะรวยคืออยากจะเป็นเศรษฐีถ้าเงินมันกลายเป็นจุดหมายสำคัญของชีวิต ประการที่สามคือการมองทุกอย่างเป็นสินค้าก็อย่างที่บอกว่าผู้ผบริโภคเนี่ยจะบรรลุความต้องการจะมีสิ่งบริโภคได้เนี่ยก็ต้องซื้อเอาซื้อด้วยเงินไอ้เงินเนี่ยเมื่อเงินเป็นการมีสิ่งสําคัญในชีวิตเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างในการเป็นสินค้าทุกอย่างเนี่ยการากาเป็นสิ่งที่ต้องซื้อด้วยเงิน ทุกอย่าง ก, กลเป็นสิ่งที่ต้องซื้อด้วยเงินแ ล, แล้วไม่ใช่แค่ข้าวไม่ใช่แค่ผ้าที่เป็นสินค้านะแต่ว่าความรู้ต้อง ก, การเป็นสินค้าสมัยกนน่อนความรู้ไม่ใช่สินค้านะความรู้เป็นทานที่ <c oughs> ให้กันโดยไม่คิดเงินความรู้เนี่ยเป็นทาน <c oughs> คือสิ่งที่ให้กันโดยไม่คิดเงินการต่อหรือการให้ความรู้เนี่ยคนสมัยก่อนนี่จะไม่คิดเงินขอเพียงแต่เอา ดอกไม้ทูบเทียนม า, มาหรือว่าเป็นค่ายกครูก็พอการรักษาเนี่ยไม่คิดเงินนะฮะเพราะไม่ใช่สินค้าหมอสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพราะถือว่าความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยได้มาฟรีเป็นทานอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ไปด้วยก็จะมะีค่ายกครูบ้างนะ ข้าวไม่ใช่สินค้าใครอยากกินข้าวคนต่างจากคนต่างบ้านต่างเมืองมานะมาขอข้าวกินก็ให้ข้าวนี้ก็ถือว่าขายไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเป็นทานนะ น, นี่คือนะีคือแนวคิดที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยทุกอย่างก็เป็นสินค้าหมดม้กรทั้งคนก็เป็นสินค้าผู้หญิงเป็นสินค้าใช่มมีค่าตัว แม้กระทั่งความรักนะหรือรอยยิ้มก็กลายเป็นสินค้าแล้วคือคุณต้องจ่ายเงินคุ ณ, ค ณ, คณถึงจะมีรอยยิ้มให้วัฒนธรรมประเพณีกลายเป็นสินค้าพระเครื่องพระพระุทธรูปกลายเป็นสินค้าแม้แต่บุญก็กลายเป็นสินค้าก็คือว่าจ่ายมากได้บุญมากจ่ายน้อยได้บุญน้อยเงินเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างกลายเป็นสินค้าเหมือนแม้ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมความรู้นะความรักประเพณีวัฒนธรรมเทศกาล เทศกาลประเพณีท้องถิ่นซึ่งเคยเป็นเรื่องที่ทำกันนะอย่างอย่างสมัครใจตอนนี้กลายเป็นสินค้าที่ขายนักท่องเที่ยวทุกจังหวัดจะต้องหาทางทำประเพณีจังหวัดในจังหวัดขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพื่อที่จะล่วงกระเป๋าจากล่วงเงินจากกระเป๋านักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดนะทุกอย่างกลายเป็นสินค้าประการที่4ี่ก็คือว่า ความสะดสบายกลายเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตความสะดกสบายกลายเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตอะไรที่สุสดกสบายเอาไว้ก่อนมันจะเกิดผลกับสิ่งแวดล้อมยังไงจะเกิดผลความดุร้ายกับกับคนอย่างไรฉันไม่สนใจอะไรที่ทำแล้สะดสบายเอาไว้โฟมมันก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อมยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามันสะดวกสบายฉันก็ใช้โฟมนะเปิดเปิดไฟทิ้งเอาไว้ นะมันเปลืองอยังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าฉันสะดกสบายฉันก็เปิดรวมทั้งเปิดแอร์ทิ้งเ อ, นะอาไว้เดี๋ยวนี้จะทําอะไรก็ตามจะขายสินค้าอะไรก็ตามก็ต้องท่วงว่ามันสะดวกสบายเดีนะ๋ยวนี้มีขายบางที่พกน้ําติดตัวไปบ้างนะมีขายบางที่ไปไหนเนี่ยใช้ปิ่นโตบ้างไม่มีนะฮะมันไม่สะดวกสบายเท่าใช้โฟมมันไม่สะดวกสบายเท่าใช้ถ้าไปซื้อน้ําน้ําน้ํามันจุขวด ต้องที่เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมาชาติและทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมโหลานเพราะความสะดวกสบายกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตไปแล้วนะซื้อเองเนี่ยมันสะดวกกว่าทำเองนะสมัยก่อนน้ำอาซเนี่ยใครๆก็นิยมแต่ไม่มีใครอยากจะทำเองกับน้ำอาซีขอซื้อเอาดีกว่าสมุนไพรก็เป็นสิ่งที่นิยมแต่ไม่มีใครอยากทำสมุนไพรซื้อเอาดีกว่านะความสะดวกสบายกลายเป็นสารณะของชีวิต ข้อสุดท้ายข้อห้ายสำคัญมากก็คือว่าเห็นว่าความสุขอยู่ีการบริโภคความสุขอยู่ีการบริโภคถ้าคุณอยากได้ความสุขคุณต้องบริโภคให้มากคนที่มีบริโภคน้อยมีเศษมีสิ่งเสพน้อยก็ถือว่ามีความสุขน้อยแล้วตรงเนี้คือหัวใจของบริโภคนิยมที่เขาประสบความสําเร็จที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าต้องการความสุขต้องบริโภค ความสุขการเป็นสิ่งที่ดื่มได้ความสุขการเป็นสิ่งที่ซื้อได้ความสุขเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้จากการทํางานความสุขจะเกิดขึ้นได้จากการทําสิ่งที่ยากและสําเร็จนะความสุขเกิดจากการที่ได้ได้มีงานอดิเรกทําทําสวนนะหรือว่าอยู่กับ ครอบครัวไอ้เงี้ไม่มีความสุขมันต้องไปเสพต้องไปซื้อถึงจะมีความสุขถ้าชาตินี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะีไม่มีความสุขนะความสุขอยู่ที่วัตถุไปแล้วแล้ววัตถุนั้นต้องเป็นสิ่งที่ฉันต้องมีฉันต้องบริโภคให้ได้ตนะอนนี้ผลกระทบตามมาเป็นยังไงนะผลกระทบตามมาอันที่หนึ่งเลยเนี่ยบริโภคนโยทําให้สุขภาพเสื่อมโทมเพราะเดี๋ยวนี้คนบริโภคกันมาก ความสุขในการบริโภคเราบริโภคเนื้อนมไข่กันเยอะแล้วเราไม่ออกกาลังกายนะเราบริโภคมากขณะที่เราออกกาลังกายน้อยแค่จะเดินไปปากซอยเนี่ยแค่200เมตรก็ไม่เดินกันแล้วนั่งรถ ด, ดีกว่าเพราะว่าสะดวกสบายความสุขสบายคือพระเจ้านะจะเดินจากชั้น1ไปชั้น3ามนะจะเดินไปทําไมจะขึ้นบันไดไปทําไมนั่งลิฟต์ดีกว่า ขึ้นลิฟต์ดีกว่าถ้้องที่ลิฟต์นี่มันแพงนะขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยสิบาทยีิบาทเที่ยวนึงสบายเนี่ ย, ย, ยก็ขึ้นลิฟต์ดีกว่าคนเลยไม่ออกกําลังกายสุขภาพก็เลยเสื่อมโทมเวลานี้เนี่ยคนไทยเป็นโรคขี้เกียจตายกันชั่วโมงละเก้าคนโรคขี้เกียจนะประสรงนี่แม่ตมาไมไ่บรรยันนะกระทรวงสาธารณสุขแก บ, บรรัญญัติเพื่อใช้ในการรณรงค์งให้คนออกกําลังกายกันมากขึ้นเพราะคนตายคนไทยตายชั่วโมงละเก้าคนเพราะโรคหัวใจโรคหลอดเลือด โรคความดันโรคเบาหวานเพราะว่าเราเสพมากเรากินมากคนไทยนี่3ามส้ขวบขึ้นไป35ปีขึ้นไปมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรือว่าเป็นโรคอ้วนเนี่ยถึงห น, นึ่งในสนี่พาอบริโภคนิยมแท้ๆเลยคือเสพมากแต่ว่าไม่ออกกำลังกายเพราะว่าใช้เงินซื้อในการทาทุกอย่างจะเดินไปทำไม เสียเวลาเปลืองเงิน เ, เสียเวลาแล้วเปลืองเวลาเปลืองทําให้เหนื่อยเปล่าๆใช้เงินเนี่ยสะดวกสบายดีชีวิตที่สะดวกสบายมันเกินไปเนี่ยผู้เจ้าเคยเตือนไว้แล้วว่าผู้เจ้าบอกว่าในตรัสอายุวัฒนธรรมทําเพื่อการมีอายุวัฒนะผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยต้องรู้จักทําตัวให้สบายแต่ว่าข้อที่สองต่อท้ายว่าต้องรู้จักประมาณในความสบาย คือสบายมากไปก็าอายุสั้นตอนนี้ก็เกิดขึ้นในในในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆทั้งโลกเลย ก, ก็ว่าได้คือสุขภาพเสื่อมโทรสองสิ่งแวดล้อมถูกทําลายมลภาวะในน้ํามลภาวะในอากาศการทําลายป่าเพื่อตอบสนองการบริโภคทําลายป่าเพื่อที่จะปลูกมันสัมปะหลังเพื่อที่จะปลูกน้ําอ้อยอ้อยนี่ เรากินน้ำตาลกันมากนะเวลานี้คนไทยกินน้าตาลปีละ 20, 20กว่ากิโลสูงนะฮะมันเพิ่มมาจากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยถึง 3-4 เท่าเรากินน้ำตาลกันมากขึ้นนะมันทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วมันทาให้สุขภาพเราเสืนะ่อมโทรมอันนี้ไม่ต้องพนันานาก็ได้ข้อที่3คือช่องว่างร่วงคนเลยกับคนจนถามกว้างขึ้น บริโภคนิยมทีทำให้คนเนี่ยถือเอาเงินเป็นเป้าหมายก็แข่งกันหาเงินนะเกิดการเอาระเปรียบกันช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยถางกว้างขึ้นในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนในเมืองไทยเนี่ยขยายกว้างจาก8เท่าเป็น14เท่านะวัดจากคนรวยสุดกับคนต่ําสุดเนี่ยหมายถึงรายได้ทั้งหมดนะ 20% แรกกับ 20% ท้ายเนี่ยห่างกันถึงสิเท่าอันนี้เกิดขึ้นทั้งโลกเหมือนกันช่องว่างรองคนรวยกับคนจนช่องว่างรองประเทศรวยกับประเทศจนก็ถ่างกว้างขึ้นตอนนี้เป็น72เท่าแล้วในช่วงเวลาแค่20ปีรองประเทศรวยที่สุดกับจนที่สุดช่องว่างห่างกันเจเท่าอันนี้โยงมาถึงข้อที่4คือมีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่สมเหตุสมผลและอย่าง อย่าง hmm. น่าเศร้าอาตมาอยากจะให้ยุอยากจะให้ดูสถิต <cu> ิน <ste> ี000 000 000 000 000้นะฮะปัจจุบันนี้มีคนถึง2 2 0 0้ล้านสอ0ล้านคนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของโลกปรามีประชากรโลกประมาณ 6,000 ล้านคนประมาณ 2,600 ล้านคนเนี่ยขาดสารพึ่โภคขั้นพื้นฐานโดยห้อน้ำสะอาดและเกือบพันล้านคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนชื่อตัวเองไม่ได้ ให้พันล้านคนนี่รวมถึงเด็กอีกประมาณ30เกือบร้อคนในหมู่บ้านอัตมานะครบจบปหละอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้จบปหนะ์ะปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถขจัดได้หากใช้งบประมาณ900าล้านเหรียญเพื่อจัดหาน้านสะอาดให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนและอีกห0พัล้านเหรียญสําหรับให้การศึกษาแก่คนทั้งโลกจําตัวเลขดีๆนะเก้านกับหกพั 9, 6, ล้านเหรียญแต่ปรากฏว่าในยุโรปเนี่ยเฉพาะมีเฉพาะไอศครีมนะฮะ เฉพาะไอติมเนี่ยในยุโรปเดืนนีน้บริโภคปีละ 11,000 ล้านเหรียญ น, นะมากกว่า 9,000 6,000 ล้านเหรียญที่ใช้ที่ต้องการใช้ในการทำน้ำสะอาดให้แก่คนที่ให้กับคนครึ่งโลกค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำหอมในยุโรปและสหรัฐอเมริกาสูงถึง 12,000 ล้านเหรียญ น, น้ำหอมอย่างเดียวนะฮะค่าใช้จ่ายสาหรับเครื่องสำอางทั่วโลกเนี่ยสูงถึง 18,000 ล้านเหรียญ เครื่องสำอางอย่างเดียวเฉพาะครีมรบำรุงผิวนะทั่วโลกนะเราใช้ไปประมาณ24000ล้านเหยเฉพาะครีมรบํารุงผิวอย่างเดียวนี่เอาเงินจํานวนนี้เนี่ยมาใช้ในการจัดหาน้ําสะอาดและการศึกษาให้กับคนครึ่งโลกนะได้สบายๆถนะึงสามถึง 3- าเท่าของจำนวนที่ต้องการนี่คือความ ภาษาฝรั่งเรียกว่า absurd นะหรือความไม่เป็นเหตุเป็นผลความความความไม่ไม่ข้าท่านะของยุคบริโภคนิยมที่มมีการใช้เงินเนี่ยอย่างไม่สมเหตุสมผลขณะที่คนจำนวนหนึ่งไม่มีน้ำน้ำใช้ไม่มีน้ำสะอาดแต่คนอีกจำนวนหนึ่งเพียงแค่หยิบเดียวนะฮะคือในยุโรปเนี่ยยุโรปนี่ประชาการก็ไม่ได้เยอะเท่ากับไม่ถึงพันล้านคน เพราะาครีมบำรุงผิวอย่างเดียวนี่นใช้เงินไปบาศาลข้อต่อมาคือว่าบริโภคนยยาทำให้สังปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องดูอื่นไกลประเทศไทยก็เห็นชัดเคยมีการสำรวจถามความเห็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษประมาณ6 0ห0 0คนโดยบริษัทประกันภัยที่มีชื่ออันดับโลกนะเขาถามว่าประเทศอะไรที่ มีการลักขโมยมากที่สุดจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวประเทศไทยติดอันดับ1ประเทศใดมีการแย่งชิงทรัพย์สินทรัพย์สมบัติโดยการใช้ความรุนแรงมากที่สุดอันดับ1ไม่ใช่ไทยนะแต่ไทยเพื่ออันดับ2 c o คอร์รัปชันเมืองไทยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเราติดอันดับที่77 จาก133ประเทศจากการจัดอันดับของ อ, องค์กรเพื่อความโปร่งใสของประเทศเมื่อปีที่แล้วนะคือเราอยู่เราอยู่ครึ่งหลังอ่ะอยู่ครึ่งหลังของประเทศที่บวยในเรื่องของความโปร่งใสหรือของการมีธรรมาภิบาลประการต่อมาคือปัญหาความสัมพันธ์ร้าวฉานมากขึ้นผู้คนเนี่ยนะต่างคนต่างเอาเงินเป็นใหญ่ ทุกคนต่างไม่มีเวลาให้แก่กันและกันแม้กระทั่งในครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาให้กับลูกเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำมาหากินหากินไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าหาของอย่างอื่นที่มาสนองความสุดวกสบายตามมาตรฐานชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่หากินนี่ไม่ยากนะแต่ว่าจะทำให้มีหน้ามีตาหรือว่าจะทำให้ได้ละความสะดวกสบายเช่นมีบ้านมีรถมีโทรศัพท์มือถือมี สิ่งอำนวยความสูดต่างๆเนี่ยมันใช้เวลาดึงเวลาไปจากพ่อแม่มากเนะพราะก็คือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเวลานี้เนี่ยแย่พ่อแม่ถึงร้อละสิบสามในกรุงเทพบอกว่าแต่ละวันเนี่ยมีเวลาทำกิจกรมรมให้กับลูกเนี่ยแค่หนึ่งถึงสมชั่วโมงเท่านั้นแหลนะมีเพิ่งคือเวลาเห็นหน้ากันเนี่ยไม่เกิน3มชั่วโมง และใน3มชั่วโมงนั้นไม่ทราบรวมถึงเวลาที่อยู่ในรถ ด, ด้วยกันหรือเปล่าคือเวลาพาลูกไปไปส่งโรงเรียนนะมีเวลาแค่นั้นเหละฮะาเปรเซ์ของพ่อแม่ในในในในกรุงเทพแต่นี่ยังดีนะยังมีพ่อแม่หลายครอบครัวนี่ต้องหย่าร้างกนนันปัจจุบันการหย่าร้างเนี่ยในในเมืองไทยเนี่ยสูงถึงหนึ่งในสี่คือว่ามีมีมีสี่คู่ก็หย่ากัน1คู่ ในชนบทปัญหานี้ก็เกิดขึ้นพ่อแม่แยกทางกันเด็กในชนบทร้อยละสาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่แยกทางกันเด็กในชนบทนะฮะร้อยละสนี่คือปัญหาสังคมซึ่งเกิดขึ้นในยุคบริโภคนิยมซึ่งสัมพันธ์กับการที่ผู้คนหเห็นเงินเป็นใหญ่จนกระทั่งไม่มีเวลาให้เจอกันแล้วกันเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาประการต่อมา ข้อที่จดก็คือว่าความทุกข์ในจิตใจเพิ่มมากขึ้นคนไทยเวลานี้เครียดกันมากขึ้นในชัยภูมินะฮะที่จะมาอยู่เนี่ยโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยบอกว่ า, ายาที่จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องการลดความเครียดมีมาณ 25% นะ 25% ้และทั่วประเทศเนี่ย ในช่วง2ปี3ปีคือปีสีสีถึงหกเนี่ยมีการใช้ยาคลายเครียดเพิ่มขึ้นถึงสีเท่าตัวคือจาก160กล้านเม็ดเป็น700รล้านเม็ดเราเครียดกันมากขึ้นนะในช่วง3ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่ทราบเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่านะฮะซึ่งก็น่าแปลกว่าในเมืองไทยหรือในกรุงเทพเนี่ยเรามีสิ่งคลายเครียดเยอะโทรทัศ วิทยุวดี VDO CDDVD นะเรามีแหล่งบันเทิงเริงมากมายแต่ทําไมเครียดกันมากก็ไม่ทราบนะและสิ่งตามหมายสุขคือคนทุกสุดชีวิตว่างเปล่าไร้คุณะคะ่าเพราะว่าหาเท่าไหร่หาเท่าไหร่มันก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่หายเคยคิดว่าความสุขก็จากการบริโภคแต่มีบริโภคมากขึ้นนะ มีสิ่งเสพมากกว่าสมัยพ่อสมัยแม่สมัยปู่ย่าตา ย, ยายแต่ทําไมความเครียดความทุกข์กลับมากขึ้นไม่ได้ลดลงหลายคนสงสัยหลายคนก็คิดว่าไอ้ที่ทุกข์ที่เครียดเพราะยังมีเงินไม่พอก็ตั้งนาต่างตาหางเงินแต่ก็ยังทุกข์อยู่หลายคนพบว่าเงินไม่ใช่คําตอบแต่ก็ไม่รู้ว่าความสุขมันจะมาได้อย่างไร เป็นปัญหาเดียวกับที่เกิดขึ้นกับคนในประเทศโลกประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศซึ่งผู้คนเนี่ยสับสนรู้สึกชีดนิว่างเปล่าเพราะมีเงินมีวัตถุรอบตัวแต่ข้างในเนี่ยมันโปร่งมันมันมันไม่มันมันมันมันว่างเปล่าไม่ได้ว่างเปล่าจากการปล่อยวางนะแต่ว่างเปล่าคือไม่รู้วร์ชีวิตนี้มีคุณค่าอย่างไรบ้างนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในยุคบริโภคนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ครนี้หลายคนก็สงสัยว่าบริโภคนิยมเนี่ยนะมันมันมีโทษมากมายอย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมคนยังเข้าหามันอยู่คนยั ง, ลงหลงไหลบริโภคนิยมอยู่ทําไมบริโภคนิยมนี่ยังแพร่หลายอยู่แล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ อ, ยอาจมาคิดว่ามันมีมันมีคําตอบหรือคําอธิบายอยู่สองสามอย่างก็คือ บ, บริโภคนิยมเนี่ยมันมีเสน่ห์มันมีสเสน่ห์ มันสามารถที่เข้าถึงจุดอ่อนของมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยมีจุดอ่อนก็คือเรามีตัณหาเรามีการมาตัณหาและที่สมมธิคือเรามีภาวะตัณหาเรามีความเรามีจุดอ่อนคือเราอยากเสพสิ่งเราอยากเสพสิ่งที่ให้ความพึงพอใจทางตาหูจมูกลิ้นอันนี้เรียกว่ากามาตัณหาและยิ่งกว่านั้นเราต้องการที่จะได้เป็นอะไรบางอย่างซึ่งมันดีกว่าเดิม คือคนเราเนี่ยตอนที่ไม่มีกินนะก็ขอเพียงแค่ว่าขอให้มีกินและเมื่อมีกินแล้วเนี่ยก็ขอเพิ่มขึ้นก็ขอให้รวยแต่พอรวยแล้วมันก็ยังไม่มีความสุขก็เลยขอเพิ่มขึ้นว่าขอให้ฉันได้เป็นโน่นเป็นนี่นะวัยรุ่นซึ่งมีกินวัยรุ่นซึ่งมีพ่อแม่มีย่ยจะกินเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากจะได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นคนเทพเป็นคนทันสมัยนะ และความเท่ความทันสมัยก็ก็คิดว่ามันได้มาก็ไม่ยากอะไรก็ถ้ามีเงินก็ไปซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาไปซื้อเสื้อไปซื้อรองเท้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาก็รู้สึกว่าฉันได้เป็นอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเดิมที่ใหม่กว่าเดิมอันนี้เรียกเว่าตั่หาและนี่คือจุดออกของมนุษย์คือมนุษย์เราเนี่ยมันมีความความต้องการที่ที่จะเป็นอะไรบางอย่างที่มันดีกว่าเดิมที่ใหม่กว่าเดิมอันนีเรียกว่าปั่นหาและนี่คือจุดออกของมนุษยคเอมนุษย์เราเนีรยมันมีควาเคามี้องกานาี เรามีอำนาจนะถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือเราเราเรามีอำนาจที่จะโทรศัพท์ถึงใครในมุมไหนของโลกก็ได้แล้วยิ่งเป็นโทรศัพท์ที่ดีก็สามารถติดต่อได้ทั้งโลกอินเทอร์เนต็ตทำให้เรามีอำนาจและทำให้เรามีาเรมสรีภาพนะบริโภคนิยมเนี่ยสเสนอห์เาคือทําให้คนเชื่อว่าวัตถุเทคโนโลยีสินค้าต่างๆจะทําให้เรามีเสรีภาพและอิสรภาพมากขึ้น รถโดยจะทำเรามีศักยภาพในการเดินทางโทรศัพท์มือถือทาเรามีศักยภาพในการติดต่อผู้คนโดยไม่จํากัดภูมิประเทศอิ น, นเทอร์เน็ตทำให้เรามีศักยภาพในการที่จะติดต่อใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวก็ได้ไม่ต้องเปิดเผยชื่อเสียงเล่งนางก็สามารถติดต่อสามารถที่จะระบายมีศักยภาพในการที่จะระบายอารมณ์ดิบๆของเราออกไปทางอิ น, นเทอร์เน็ตจะด่าพ่อรอแม่ใครหรือว่าจะ จะไปพูดจะล่วงละเมิดล่วงเกินในทางในทางเสื่อมเสียยังไงหรือว่าจะไปลวนลามใครก็มีเสรีภาพที่จะทําได้โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตแล้วกเ็เทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งมีเสรีภาพในการเลือกอะไรก็ได้นะไปห้างเรามีเสรีภาพมากมายที่จะเลือกซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราต้องการรวมทั้งเลือกที่จะเป็นใครก็ได้จะเป็นใครก็ไดนะ้ถ้าเรามีถ้าเราใสาซ่ซื้อเสื้อมอฮอม นะเราเรา อ, อยู่บ้านไทยหรือจะเป็นฝรั่งก็ได้นะถ้าเรามีเงินไปฟังคอนเสิร์ตนะที่ดารานักร้องจากประเทศต่างๆเขาเขามาแสดงมีศิลปภาพที่เป็นอะไรก็ได้มีเสลปภาพที่จะเสพอะไรก็ได้นะแม้ในเรื่องทางเพศที่วิพิลิตพิสดาร น, นะคนคนยุค ป, ปัจจุบันต้องการเสลปภาพนะ ต้องการอิสรภาพแต่เป็นอิสระภาพซึ่งอาจจะไม่ใช่จําเป็นในชีวิตเลยแต่ว่าก็ต้องการและบริโภคนิยมนี่มันตอบสนองได้นะเสรีภาพที่จะมีกิกก็ทําได้ง่ายนะเดี๋ยวนี้เพราะบริโภคนิยมใช่ไหมฮนอกจากนั้นเนี่ยบริโภคนิยมยังสนองความคิดเลือกปกัจเจตนิยมคือคนสมัยนี้เนี่ยอยากจะเป็นตัวเองอยากจะเป็นตัวของตัวเองอันนี้ ถ้ามันมีมากๆเราก็เรียกว่าปัิเจกนิยมถ้าบอกว่าเราเป็นลูกคนโน้นเราเป็นน้องคนนี้เนี่ยเรารู้สึกไม่ภูมิใจแต่ถ้าแนะนำว่าเออคนนี้นี่เขาเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้นะเรารู้สึกภูมิใจเราไม่อยากให้ใครแนะนำว่าเราเป็นน้องใครหรือเป็นลูกใครแต่เราอยากให้เขาแนะนำว่าเราเนี่ยมีดียังไงบ้างอยากให้เขอแนะนาว่าเราเป็นเราอย่างไรบ้างนี่คือแนวคิดปฏเจนิยม และเดี๋ยวนี้คนเนี่ยอยากจะเป็นใครที่ไม่เหมือนคนอื่นอยากจะเป็นใครที่ไม่เหมือนคนอื่นถ้าใส่เสื้อเหมือนๆกันร้องเพลงเหมือนๆกันะฉันหรือว่าใส่รองเท้ายี่ห้อเดียวกันฉันไม่ชอบฉันอยากจะเป็นคนที่ไม่เหมือนใครบริโภคนิยมเ น, นี่ยมันตอบสนองตรงนี้ได้คุณจะคุณจะมีผมสีทองมีผมสีม่วงนะ มีเสื้อปูป่ามีกางเกงพิสดารยังไงเนี่ยบริโภคนิยมเนี่ยตอบสนองคุณได้ขอให้คุณมีเงินก็นแล้วกันแล้นก็เหมือนก็มีสเสน่ห์นะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการที่จะเป็นเป็นใครที่ไม่เหมือนคนอื่นนะลักษน่ของบริโภคนิยมประการสุดท้ายนะก็คือว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าความสุขอยู่แค่เอื้อมความสุขอยู่แค่เอื้อมนะขอให้มีเงินเท่านั้นแหละนะความสุขก็มาทันที แต่ถ้าเป็นสังคมสมัยก่อนเนี่ยความสุขที่มันหาได้ยากมันต้องลงมือทําต้องลงมือทํำแต่ว่าพอมีเงินแล้วทุกอย่างมันง่ายนี่คือเสน่ห์ของบริโภคนิยมตอนนี้ถามว่าเนี่ยแต่ว่ามันในเมื่อมันบริโภคนิยมนี่มันมันมันมีโทษเนี่ยอาตมาก็ใช้เวลามากในการที่พนันาโทษของบริโภคนิยมแล้วก็วิวัฒนาการของมันคราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องว่า แล้วเราจะเป็นไทยจากบริพนิยมได้อย่างไรประการแะะรกเลยนะั้นในท้งพุทธศาสนาเนี่ยปัญญาเป็นสิ่งสาคัญนะปัญญาก็คือความที่เราตระหนักถึงโทษของมันโทษของบริโภคนิยมเนี่ยไม่ต้องดูไกลตัวว่ามันก่อให้เกิดสิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเอาใกล้ตัวก็ได้ก็คือว่าเราต้องสูญเสียอะไรไปบ้างในการที่ได้วัตถุสิ่งเสพ บรโภคนิยเนี่ยเขพยายามจะบอกว่าเราจะได้อะไรบ้างชีวิตเราจะสะดวกสบายยังไงบ้างเราจะมีความสุขยังไงยังไงบ้างแต่มันไม่ค่อยบอกเราว่าแล้วเราจะเสียอะไรไปบ้างไม่มีอะไรที่ได้ฟรีบริโภคนิยเนี่ยมันทําให้เราเสียอย่างเแรกเลยคือเสียเวลาเสียเวลา เสียเวลาไปในการหาเงินมาเพื่อไปซื้อสิ่งเเสพเสียเวลาในการที่ต้องแข่งขันและเมื่อได้มันแล้วก็เสียเวลาในการเสพคนเดวนี้บอกไม่ค่อยมีเวลาว่างสังเกตไหมฮะคนเี๋ยี้บอกไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่เคยแปลกใจมาคนในชนบทเนี่ยเขไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกก็ไม่มีเครื่องทุนแรงเครื่องเครื่องทุนเวลาทําไมเขามีเวลาว่างเยอะ เขมีเวลานั่งเล่นเขามีเวลาคุยกับลูกเขามีเวลาคุยกับเพื่อนบ้างแต่คนในเมืองซึ่งมีเทคโนโลยีมากมายมีสิ่งอมฤตความสะดวกเยอะแยะเปหมดมีสิ่งเครื่องทุ่นเวลาคุณจะหุงข้าวคุณใช้เวลา15นาทีคุณจะกินข้าวคุณใช้แม่ต้มมามา่มากินแค่ไม่ถึงห้านาทีคุณจะไปไหนมาไหนคุณใช้รถมีสิ่งที่ทุ่นเวลาเยอะแต่เวลามันหายไปไหนหมด คำอคือเวลามหมดไปกับการหาเงินหมดเวลาไปกับการอยู่กับวัตถุหมดเวลาไปกับการใช้อยู่กับสิ่งเสพยิ่งมีวัตถุสิ่งเสพเยอะยิ่งเสียเวลาเยอะนะฮะนับตั้งแต่มีโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยถามว่าคนไทยมีเวลาว่างมากขึ้น <c oughs> มีเวลาว่างน้อยลงนะฮะตั้งแต่มีโทรศัพท์มือถือท้าตั้งใจโทรศัพท์นี่มันได้ทําให้เรามีเวลาว่างมาขึ้นเพราะว่าแทนที่จะเดินทางไปหาเขาก็แค่โทรศัพท์ เวลาว่างก็น่าจะมากขึ้นแต่เวลาว่างกับน้อยลงเพราะเราไปใช้เวลากับโทรศัพท์มากขึ้นเอแบ Pro ก็สํารวจความเห็นของคนของเด็กของเยาวชนทยในกรุงเทพบอกกบว่า95ใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือวันละ3ชั่วโมงอีก92ซนต์นะต่ำลงมาหน่อยใช้เวลากับโทรศัพท์ใช้เวลากับโทรทัศน์4ชั่วโมง ลองลงมาก็ 90% เหมือ น, นกันใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์อีกประมาณ3ามชั่วโมง3ามอย่างนี้ก็หมดไปแล้วนะสิบสชั่วโมงแล้วคุณจะเอาเวลาที่ไหนมาทำเรียนหนังสือมาลิบมาอยู่กับพ่อแม่มีเวลาที่ไหนจะมานอนหลับพักผ่อนบริโภคนิยมมันทําให้เราเสียเวลามากขึ้นสังคมบริโภคนิยมเนี่ยเวลาเลยกลายเป็นของมีค่าไม่เคยมียุคไหนที่เวลาเป็นของมีค่าเท่ากับยุคบริโภคนิยม พ่อแม่ก็ ม, มีเวลาเนะพราะฉะนั้นนี่เราก็เลยเลี้ยงลูกกับทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็เลยเลีเล้ยงลูกได้เงินจนกระทั่งเมืองไทยนักเป็นห่วงว่าเราจะมีศาสตร์เลี้ยงลูกได้เงินกันมากขึ้นทกทีศานะสตร์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือศาสตร์เลี้ยงลูกด้วยความรัางนี่มีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเราเสียเวลาเราเสียพลังงานนะไปกับสิ่งนี้หลายคนมาพบว่า ตัวเองเนี่ยหลงทางผิดพลาดไก็ต่อเมื่อเป็นมะเร็งอย่างเมื่อปีเมื่อกลางปีที่แล้วมีพิธีกรโทรทรัศน์รายการหนึ่งคนคน้คนๆเนี่ยเสียเียชีวิตลงเพราะเป็นโรคมะเร็งพิธีกรคนนี้เนี่ยได้พูดก่อนตายไว้ว่าเคยมีคนถามว่าจะเลือกเงินหรือชีวิตแล้วคุณพิธีกรคนนี้ซึ่งเป็นด็อกเตอร์นะว ผมเองแหละที่เรื่อกเงินเพราะผมคิดว่าถ้ามีเงินแล้วเนี่ยชีวิตความสุขสบายในชีวิตก็ตามมาแต่ปรากฏว่า ต, ต, ตั้งต่างหาเงินนะแล้วก็รัดเลยไม่ค่อยมีเวลากับอยู่กับลูกกับครอบครัวแล้ววันดีคือดีก็พูว่าเป็นมะเร็งเพราะทำงานหนักก็กลายเป็นว่าเวลาที่จะทำมาหาเงินตั้งใจไว้ยี่สิบปี แต่ว่าทำได้แค่ส0ปีก็ต้องเลิกแล้วเวลาที่จะมีให้กับครอบครัวโดยคิดว่าถ้าหาเงินได้ถึ ง, ถงที่แล้วก็จะหยุดแล้วจะได้มีเวลากับครอบครัวก็ไม่มีอีกต่อไปคุณพิธิกรอนนี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าผมมีชีวิตต่อเนี่ยผมอยากทำอย่างหนึ่งก็คือมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นแต่ว่าไม่มีเวลาแลฮะเพราะโลกนี้มันคร่าชีวิตเข้าไปเมื่อเดิ น, น ย, ยืดนาโยน นี่คือนี่คือวิธีช่วของคนยุบริภคนิยมซึ่งเราที่ว่าถ้าเรามีเงินแล้วเนี่ยความสุขความอิ่มเอ็นในชีวิต จ, จะตามมาแต่ว่ากลายเป็นว่าเรากลับเสียมันไปไม่มีเวลานี่คือโทษของบริโภคนิยมซึ่งเราต้องตระหนักกันมากขึ้นนะเราต้องตระหนักว่าโทษของความสุดวสบายมีอย่างไรบ้างความสะดสบายมีโทษอย่างไรบ้างในหมู่บ้านคาตมาเนีย่ยยกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่เราเป็นทางลูกลงัง ไม่เคยมีคนตายนะแท้จะไม่มีคนตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์เลยแต่พอเรามีถนนถนนดํามีการลาดยางการเดินทางสะดวกมากขึ้นอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นคนตายมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีใหม่นะนี่คือราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับความสะดวกสบายคือชีวิตเนี่ยนะมันอายุสั้นลงอุบัติเหตุเกิดมากขึ้น ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าความสุขสบายไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยตระหนักหรือมองเห็นโทษของมันว่าการที่เราจะได้ความสุดกสบายมาจากบริโภคนิยมเนี่ยเราสูญเสียอะไรไปบ้างและหลาอย่างที่เราสูญเสียนั้นเป็นสิ่งที่เราเอากลับคืนมาไม่ได้เช่นเวลาหรือว่าสุขภาพของเรารวมทั้งเวลาที่เราจะมีให้กับลูกและครอบครัว ต้องใช้ปัญญาในการที่เราเห็นโทษของมันนะประการที hmm. しし่สองคือว่าตระหนักว่ามันไม่สามารถจะให้ความสุขแก่เราได้อย่างแท้จริงบริโภคนิยเนี่ยมันให้แค่ความสะดวกสบายฮะแต่ไม <tr ocks> ่สามารถจะให้ความสุดให้ความสุขแก่เราอย่างแท้จริงได้ความสะดวกสบายกับความสุขต่างกันนะความสบายกับความสุขต่างกันแต่คนเดี๋ยวนี้ไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันนี่นั่นปัญญาเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่ามันมีทางเลือกที่ดีกว่า อะไรที่ดีกว่าคื อ, อความสุขแท้จริงอยู่ที่ใจมีเงินมากก็ไม่หมายควม่ามีความสุขครอบครัวหลายครอบครัวนะมีเงินมากแต่ชีวิตกับทุกลงบางคนถูกหวย20ล้านบาทแต่ต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าเครียดมีคนนึงเนี่ยแกถูกหวย20ล้านบาทเสร็จแล้วแก็ฆ่าตัวตายกินยากพิษแต่ว่าแม่น้องลูกช่วยมาได้ ขาตัวเครียรมีคนคู่ฆ่าเพราะว่าเอาเงินแจกให้เขาแล้วเขาไม่พอใจเขาอยากได้มากที่แกก็บอกว่าเนี่ยไอ้ตอนเป็นพ่อค้าหาบเล่เนี่ยคือตอนที่ยังไม่ถูกหวยเป็นพ่อค้าหาบเล่เนี่ยหาเช่ากินท่าเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนความสุขอยู่ที่ใจนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักปัญญาจะช่วยทำให้เราให้เราลายเห็นและตระหนักต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงตัวตนอ ย, อย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าคนนี้ในยุคบริโภคนิยมเนี่ย เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวตนเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันถูกพลังด้วยเพราะว่าตันหาการเปลี่ยนแปลงตัวตนหรือการเป็นคนใหม่เนี่ยสาเร็จได้โดยการกระทําการบริโภคทําได้อย่างมา ก, กเพียงแค่สร้างภาพลักษณ์แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนภาพลักษณ์อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นคนใหม่ไปได้ถึงแม้คุณจะเปลี่ยนสืน้อเปลี่ยนทรงไปผ่าตัดนะซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนะ ไปผ่าไปเสริมสวดทรงจมูกบ้างหน้าหูกบ้างหน้าท้องบ้างต้องการเป็นคนใหม่แต่มันไม่ทำให้เราเป็นคนใหม่ได้เลยมันทำได้แต่เพียนการทำให้เรามีภาพลักษณ์ใหม่แต่ว่าเราก็ยังเป็นคนเดิมนอกจากมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนใหม่ไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันยังทำให้เราเป็นท่าของวัตถุเป็นท่าของสิ่งเสกและเอาคุณค่าของตัวเองนี่ไปฝอบให้กับวัตถุ อย่านี้ เ, เอาคุณค่าตัวเองไปฝากไว้กับวัตถุเยอะถ้าไม่มีวัตถุจะรู้สึกไม่มีคุณค่าถ้าไม่ได้ขับรถเบนซ์บีเจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่านะซึ่งนั้นเนี่ยคือความหลงแต่ปัญญาที่จะสามารถทําให้เราเห็นว่าคุณค่าจริงๆของเราเนี่ยมันไม่อยู่ที่วัตถุมันอยู่ที่อยู่ที่แกนแท้ในใจของเรานะอยู่ที่คุณธรรมของเรา น, ะนีประการที่2เนี่ย เป็นเรื่องของจิตใจนะฮะเมื่อกี้พูดเรื่องปัญญาแต่คนเราเนี่ยนะคนเราเนี่ยอาศัยปัญญาอย่างนี้ไม่พอนะเพราะว่าเรามากักมีปัญหาระหว่างสมองกับหัวใจสมองอาจจะบอกว่ากินเหล้าไม่ดีแต่หัวใจหรือความรู้สึกเนี่ยมันมันอยากนะเพราะว่าเสร็จติดเสแล้วสมองอาจจะรู้สึกว่าอาจจะบอกว่าบริโภคนิยมมันไม่ดีแต่ใจเนี่ยมันอยากเพราะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยการพัฒนาจิตการพัฒนาคุณภาพจิตเพื่อที่จะมา มาตอบสนองหรือมาเสริมกับปัญญาคือคนเรานี่นะต้องการความสุขนะธรรมชาติของเราต้องการความสุขแล้วขาดความสุขไม่ได้แต่ถ้าเราขาดถ้าเราไม่มีความสุขจากภายในนะเราก็จะไปพึ่งพาความสุขจากภายนอกคือความสุขจากวัตถุคนเราี่จะพึ่งพาความสุขจากวัตถุน้อยลงก็ต่อเมื่อพบความสุขภายใน ลำพังสมองเนี่ยบอกว่าบริโภคนิยมหรือว่าถูนเนี่ยหรือการเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยแค่นั้นไม่พอนลฮะตาบใดาที่ใจเนี่ยยังขาดยังขาดยังไม่ได้สัมผัสกั บ, ก, บกับความสุขพระพุธเจา้าเนี่ยได้ตัดไว้เองว่าแม้จะรู้พระองค์จะรู้ว่ากามนี่มันมีโทษนะแต่ตาบใดาที่พระองค์เนี่ยยังไม่ได้เข้าถึงความสุขที่เรว่าเนคขมัสสุ หรือความสุขจากการปล่อยวางความสุขจากการอยู่ง่ายกินง่ายพระองค์ก็ไม่มีทางที่จะหลุดจากอำนาจของกามได้คนเราเนี่ยจะถ้าเรามีความสุขจากภายในเราก็จะพึ่งความสุขจากวัตถุน้อยลงและวัตถุสิ่มเสมเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อเราได้น้อยลงเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักหาความสุขจากภายในซึ่งในทางวัศา ส, สนานเนี่ยสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญนะ ถ้าเรามีความสุขจากสมาธิภาวนารือเนี่ยนะเราจะพึ่งความสุขจากวัตถุน้อยลงแต่ความสุขจากภายในเนี่ยม yep. ันไม่ได้มีแต่ความสุขจากสมาธิภาวนาจากการนั่งหลับตาอย่างเดียวเรามีความสุขจากการที่เราได้ทำงานการที่เราทำงานแล้วเรามีความสุขหรือการที่เราเสียสละการที่เราให้ผู้อื่นให้ทานแก่ผู้อื่นแล้วก็มีความสุขความสุขมาได้หลายทางโดยเฉพาะจากการที่เราได้ทาความดี เมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตมาได้จัดโครงการจิตอาสาขึ้นมาคือชักชวนคนเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครทํากิจกรรมที่ปเป็นประโยชน์กิจกรรมนึ่นก็คือไปไปนวดเด็กกาพร้าที่บ้านปากเกรด็ดเด็กเรานี้ถูกทอดทิ้งมีแต่พี่เลี้ยงคอยดูแลและพี่เลี้ยงก็ดูแลไม่ทั่วถึงเด็กก็จะถูกทิ้งเอาไว้นอนอย่างงั้นแหละปีหนึ่งแล้วบางทียังเดินไม่ค่อยได้เลยปีสองปีปี2เงปีบางทียังเดินอย่างแบบขัดขัง นั่งก็ยังไม่คยได้เพราะว่าถูกทิ้งให้นอนอยู่อย่างนั้น mm hmm. ก็จะอาศาสมองนี่เป็นเป็นนวดเป็นนวดเด็กนวดเด็กแล้วคุยกับเด็กสาว์อาทิตย์มีคนนึงเนี่ยจะเป็นโรคไมเกรนนะกินยาอยู่ประจําเลยแต่หลังจากที่เป็นนวดเด็กสักสองสามครั้งเนี่ยลืมกินยาไปเลยลืมกินเพราะไม่ปวดมีความสุขกับการนวดเด็กในทางในทางวิทยาศาสตรกบอกว่าการทําความดีเนี่ยมันทําให้เกิดเกิด สารเคมีที่เราเอนโดฟินหรือมีสารตัวใหม่โดพามีนขึ้นมาที่ทําให้ใจเราสบายไมเกรนหายนะฮะหลายคนไม่มีความสุขจากการที่ได้ทําสิ่งดีๆและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเงินซื้อไม่ได้ฮะซื้อได้แต่ยาแต่ยาก็ไม่ได้ช่วยให้ให้ให้หายแต่ว่าการที่ทําความได้การได้ช่วยเหลือผู้อื่นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั่นแหละจะทําให้เราได้รับความสุข พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขจำไดและความสุขนะอันนี้นอกจากนอกจากสมาธินอกจากความสุขจากสมาธิและความสุขจากการที่ได้ทําความดีสติก็สําคัญนะฮะเวลานี้เราตกเป็นทาบไปพวกนิยมเพราะว่ากระแสะการโฆษณาชวนเชื่อมันชวนให้เราหลงโดยเฉพาะการใช้ภาพภาพนี่มีอิทธิพลต่อจิใตใต้สำนึกของเรายิ่งกว่าถ้อยคำเพราะนั้นเนี่ยการใช้การโฆษณาด้วยโทรทัศน์เนี่ย ดีกว่าการโฆษณาด้วยตัวหนังสือและเวลานี้เราก็พอเราดูโฆษณาเราไม่มีสติหรือแม้กระทั่งเราไปห้าสรรพสินค้าเราเจอกลิ่นเจอกลิ่นที่เขาอยากจะทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะซื้อของเพราะใจเราสบายเราก็อยากจะพักเงินมีวิธีการต่างๆมากมายที่ทําให้เราพักเงินโดยสายภาพโดยสายกลิ่นโดยสายเสียงนะสติสําคัญนะครับสติจะทําให้เรานี่มีรู้ตัวที่จะไม่ตกเป็นท่าของบริโภคนิยมนะครับ ประการต่อมาเนี่ยต่อมาพูดเรื่องปัญญาแล้วก็สมาธิแล้วนะในทางพศาสนาเนี่ยมันต้องมีอีกตัวหนึ่งคือศีลศีลเนี่ยก็คือไม่ใช่หมายถึงศีลห้าอย่างเดียวยแต่หมายถึงการควบคุมกํากับพฤติกรรมตัวเองกํากับกายวาจาของตัวเองซึ่งมันมีมากกว่าศีลห้าเวลานี้เนี่ยเราต้องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับบริโภคฮะเราต้องมีสิ่งที่รู้จักควบคุมพฤติกรรมของเราในเรื่องการบริโภคนะเช่นมีการกําหนดว่า เราจะใช้อินเทอร์เนต็ตวันละกี่ชั่วโมงมีการกําหนดว่าเราจะดูโทรทัศน์วันละกี่ชั่วโมงพราเดี๋ยวนี้พอไม่กําหนดแล้วเนี่ยเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับสิ่งเหล่านี้มีการกําหนดว่าเราจะเล่นเกมออนไลน์วันละกี่ชั่วโมงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะและที่สำคัญคือกําหนดว่าเราจะไปเที่ยวห้างเนี่ยเดือนละกี่ครั้งอันนี้จําเป็นมากเลยเราเรียกว่าวินัยนะฮะ จะต้องมีการกำหนดนะวินัยเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้เงินให้มากขึ้นหลายคนเนี่ยหมดเงินไปกับ ก, บการช้อปปิง้ง ก, การเที่ยวห้างเยอะวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้คือการจัดทํารายการของที่จะซื้อก่อนเข้าห้างอัตราเช่ามาสิบประมาณ 90% นะเวลาเข้าห้างเนี่ยไม่มีการทํารายการไประจะซื้ออะไรไปต า, าดามหน้าแล้วก็กลับมาทีไรออกมาทีไรได้ไ ด, ได้ได้ของกลับมาทุกทีแล้วก็เสียเงินไปทั้งเยอะเยะเพราะหลงหลงกลนะ เน้นแต่ถ้าเราเนี่ยเรามีรายการสินค้าที่จะซื้อก่อนที่จะเข้าห้างเนี่ยเราจะเราจะเราจะเป็นหนี้น้อยลงนะบบางคนนี่เขาไม่พกเครดิต ก, การเวลาเข้าห้างพกแต่เงินสดนะแล้วเงินสดก็พกไม่มากเพราะถ้าพกเครดิตเครดิตการแล้วหมดทุกทีบางคนก็มีข้อกําหนดว่าไม่ยืมเงินใครนะไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องยืมเพราะการยืมก็ทําให้เราหมดเงินไปได้เยอะเหมือนกัน มีการพิจารณานะว่าเราจะซื้ออะไรก่อนที่เราจะซื้ออะไรเราต้องพิจารณาก่อน mm hmm. เช่นซื้อเพื่ออะไรจําเป็นหรือไม่มีโอกาสใช้มันมากน้อยเพียงใดนะอันนี้คนไม่ค่อยถามในทางพุทศาสนาอันนี้เราเรียกปัจจัยสันนิสิตศีลคือการพิจารณาก่อนบริโภคหรือพิจารณาก่อนซื้อ ก่อนจะก่อนจะซื้อเนี่ยถามก่อนว่าใช้ทนหรือเปล่าของที่จะซื้อมาเนี่ยแล้วมีอยู่แล้วกี่ชิ้นที่บ้านมีอยู่แล้วกี่ชิ้นที่บ้านมีสิ่งอื่นทดแทนได้หรือเปล่าบางคนมีเสื้อผ้ามีรองเท้าแย่ๆแล้วก็ยังซื้ออีกนะฮะเราและเราจะเสียเวลาและเงินในการดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้เพียงใดเวลาสําคัญนะแล้วเราเสียเวลาไปกับเรื่องการดูแลของพวกนี้เยอะมากที่สำคัญก็คือว่าเมื่อใช้หมดแล้วเนี่ย เราจะทิ้งอย่างไรจะแกอปัญหากับสิงว่ารอมหรือไม่เราจะมาคิดว่าอันนี้คือข้อปฏิบัติในทางตรายสิทขาศีล ส, สมาธิปัญญาซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะหลุดจากอำนาจของบริโภคนิยมได้มากขึ้นปัญญาเป็นเรื่องการพิจารณาให้รู้เท่าทันเห็นโทษเห็นคุณเห็นทางออกสมาธิเป็นเรื่องของการฝึกจิตให้เกิดความสุขภายในและหาความสุขจากการที่ได้ทาความดี สีนี่เป็นเรื่องการกากับควบคุมพฤติกรรมของเราเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยใช้จ่ายเงินหรือเสียเวลาไปกับเรื่องวัตถุสิ่งเสพมากเกินไปแตอ่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องสร้างปัจจัยภายนอกด้วยซึ่งอันเนี้ยจำเป็นต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าการยาณมิตรหรือว่าชุมช น, นการสร้างชุมชนล้อมรอบที่เอื้อให้เราไม่หลงไปในบริโภคนิ่มเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญเริ่มตั้งแต่ครอบครัว เราแวะบ้านชุมชนไปจนถึงการทําให้สังคมเนี่ยมีภูมิต้านทานบริโภคนิยมสังคมทั้งสังคมนะเพราะเวลานี้สังคมทั้งสังคมนี่มันกำลังหล่อหลอมเราให้เราลุ่มหลงกับบริโภคนิยมมีการโฆษณามากมายมีสิ่งยั่อยู่มากมายจาเป็นต้องมีการปฏิรูปนะสื่อมวลชนเพื่อที่จะไม่ให้เป็นไม่ให้อํานาจเงินเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลมากเกินไป พอเวลานี้เนี่ยใครมีเงินก็โฆษณาได้และการโฆษณาก็เป็นมีผลต่อจิตใจของผู้คนเด็กตอนนี้กำลังเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าตกอยู่ภายใต้ของอนานาจของการโฆษณามากเรื่องตั้งแต่การกินขนมขนมกรอบแกรบเนี่ยเราใช้เงินไปกับเรื่องนี้เยอะมากและโตขึ้นก็เป็นท่กับโฆษณาหลายเรื่องอาแต่มาไม่มีเวลามากพอนะที่จะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสังคมให้ ให้ให้เอื้อต่อการเป็นอิสระจากบริโภคนิยมแต่ว่าท่าที่สนใจก็หาอ่านได้จากาจากสุธิบัตรที่ได้แจกเอาไว้แต่จะมาพูดประการสุดท้ายนะฮะก็คือว่านอกจากกลับสูรูปสังคมแล้วเนี่ยการฟื้นฟูพุทธศาสนาก็สําคัญการที่บริโภคนิยมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันแพร่หลายมากขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนี่ย ในด้านนิมมิตสะท้อนนั้เห็นถึงความอ่อนแอของพุทธศาสนาเองอ่อนแอยังไงฮะอ่อนแอในสอเรื่องอ่อนแอตรงที่ไม่มีพลังจะต้านทานบริโภคนิยมทั้งทั้งที่บริโภคนิยมเนี่ยมันเป็นสิ่งทึ่งทวนสวนกระแสกับพุทธศาสนาบริโภคนิยมเนี่ยเป็นวัตถุนิยมอย่างหนึ่งซึ่งกระตุ้นภาวะตันหาการตันหาซึ่งมันสวนทา ง, งพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาี่ไม่สามารถจะต้านทานบริโภคนิยมได้ อันนี้เป็นความอ่อนแอรประการที่หนึ่งที่เราเห็นได้ประการที่2คือพุทธศาสนาเนี่ยขาดพลังดึงดูดหรือแรงบันดาลใจให้ผู้คนเนี่ยหันมาหาชีวิตที่เรียบง่ายและเข้าถึงความสุขภายในคือตอนนี้พุทธศาสนากับบริโภคนี่มันอ ย, อยู่เคียงคู่กันแต่ถ้าให้คนเลือกระหว่างสองสิ่งนี้เนี่ยคนก็เลือกบริโภคนียอ ม, มากกว่าคนเข้าวัดคนเข้าห้ามมากกเข้าวัดคนดูหนังฟังเพลง ไปคอนเสิร์ตมากกว่าไปนั่งสมาธิเพราะอะไรฮะส่วนหนึ่งก็เพราะพุทธศาสนาเนี่ยปัจจุบันขาดแรงดึงดูดหรือพลังบันดาลใจที่จะทําให้คนเนี่ยหันเข้าหาเพื่อเข้าถึงชีวิตที่มีความสุขภายในตรงนี้เนี่ยอาตมาเรียกว่าเป็นความอ่อนแอของพุทธศาสนาอ่อนแอสองเรื่องอ่อนแอในการไม่สามารถต้านทานบริโภคนิยมได้และอ่อนแอตรงที่ไม่สามารถที่จะดึงคน ให้ออกจากบริโภคนิยมเพื่อที่จะเข้าหาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความสุขซึ่งเป็นคุณค่าสําคัญและความสุขจากภายในซึ่งเป็นคุณค่าสําคัญของพุทธศาสนาทั้งหมดนี้ถ้าพูดรวมๆก็คือว่าพุทธศาสนาเวลานี้เนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของคนสมัยใหม่ได้คําว่าจิตวิญญาณในที่นี้หมายถึงส่วนเรื่องในจิตใจนะฮะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวตนนะ บริโภคนิยมเนี่ยสเสน่ห์ของมันประการสําคัญที่สุดนะก็คือมันสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจส่วนลึกหรือความต้องการทางจิตวิญญาณของผู้คนได้เพราะคนเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการแค่ความสุดวสบายฮะแม้จะมีความสุดวสบายแล้วเรายังต้องการสิ่งที่ลึกซึ้งกว่า น, นั้นคือเราต้องการความมั่นคงทางจิตใจบริโภคนิยมเนี่ยให้ความมั่นคงทางจิตใจแก่ผู้คนได้เรื่องตั้งแต่การทําให้คนเราเนี่ยรู้สึกว่า มีวัตถุเป็นหลักประกันในชีวิตคนเราเนี่ยพอมีวัตถุเป็นหลักประกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกมั่นคงเวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยถ้าเราเดินทางแบบไม่มีเงินเลยเนี่ยกับมีเงินในกระเป๋าเนี่ยสองร้อยเนี네่ยความรู้สึกมันต่างกันนะความรู้สึกมั่นใจมันต่างกันและระหว่างคนที่มีมีระหว่างคนที่มีเดินทางมีกระเป๋ามีเงินในกระเป๋าร้อยหนึ่งกับคนที่มีเงินในกระเป๋าหมื่นนึงเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกต่างกัน วัตถุหรือเงินเนี่ยมันทำให้เราเกิดความรู้สึกมั่นคงมั่นใจอันนี้พูดถึงคนทั่วไปนะนี่คือสเสน่ห์ของบริโภคนิยมนะ ม, มันทําให้เราเกิดความมั่นคงในจิตใจขับรถโตโยต้ากับขับรถเบนซเนี่ยให้ความมั่นคงในจิตใจต่างกันเยอะถือกระเป๋าหรือวิตตองสายนาฬิกาโรเล็กับสายนาฬิกาเดือนละร้อย0อนี่มันให้ความรู้สึกทางจิตใจต่างกันเยอะ ตรงนี้เองวับริโภคนิยมเนี่ยมันให้ความมันน่นคงทางจิตใจในแง่นี้ประการที่สองเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าชีพมีคุณค่าและมีเป้าหมายคนสมัยนี้ไม่รู้ว่าิีพมีเป้าหมายอะไรก็อยู่กันไปแบบสบายอยู่กันไปแบบหลักรอยแต่พอมีเป้าหมายว่าถ้าฉันจบมาแล้วยี่สิบห้าฉันต้องออกรถให้ได้ถ้าฉัานอายุสาสิบห้าฉันจะมีบ้านให้ได้เนี่ยโอ้ชีพมันมีเป้าหมายเลยนะ การเรียนนี่มีเป้าหมายเลยนะจะไม่หลักรอยต่อไปแล้วที่นักเรียนเนี่ยเรียนกันแบบไม่มีเป้าหมายนักศึกษาเรียนกันแบบไปขอไปทีนี้เพราะไม่มีเป้าหมายบริโภคนิยมเนี่ยมันทำให้ชีดมีเป้าหมายแจ่มชัด25มีรถส5มีบ้าน40เป็นเศรษฐี10บล้านร้อล้า น, า น, นชัดมากเลยจุดหมายชัดคนก็เลยเข้าหาบริโภคนยมเพราะมันทำให้ชีดเนี่ยมีเป้าหมาย มีจุดหมายและมีค่าด้วยมีเงินเป็นผู้จัด ก, การเนี่ยคุณค่ามันมีมากกว่าเป็นพาลงนะเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยระหว่างคนที่เป็นเศรษฐีล้านกับคนที่เป็นผ่าลงเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะต้องไปปั๊มเนี่ยหมอจะปั๊มใครก่อนนะหรือว่าจะปั๊มจะปั๊มใครหรือไม่ปั๊มใคร คนที่เป็นเสตตีเงินล้านเนี่ยหมอจะช่วยสุดวิธีสุดทุกวิธีนะถึงแม้ว่าเปอร์เซนต์รอดจะมีแค่10ปร์เซนต์แต่ถ้าเป็นคนเป็นพาโลเป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าโอกาสรอดแค่10บเปนี่ยหมอไม่รักษาแนละ้วเพราะว่าเปอร์เซนต์มันน้อยก็ให้ไปตายบ้านดีกว่าอันนี้ธรรมะไม่ได้พูดนะแต่หมอพูดเองคุณค่าชี่ิมันต่างกันเงเสตติร้อยล้านกับ กับเป็นทานโลเนี่ยบริโภคทุกคนทำไมคนมรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าถ้าคุณมีเงินประการที่สามคือว่าคุณสามารถจะมีตัวตนใหม่คนเราลึกๆต้องการมีตัวตนใหม่เราไม่พอใจในตัวตนที่เป็นอยู่นะเราต้องการมีตัวตนใหม่เท่ทันสมัยมั่นเป็นผู้ชนะหรือว่ามีรูปร่างที่สวยสวยกว่าเดิม บริโภคนี้บอกง่ายนะแค่ซื้อยี่ห้อนี้ซื้อยี่ห้อนั้นใส่รองเท้ายี่ห้อนี้โทรศัพท์ยี่ห้อนี้ตัวตนใหม่เกิดขึ้นเลยคุณจะเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยนะอันนี้มาตอบสนองความต้องการในจิตใจนะของคนที่ต้องการเป็นตัวตนใหม่ซึ่งตแตกจากสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยถ้ายังมีตัวตนใหม่คุณต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาคุณต้องไปบวชเมื่อคุณบวชเนี่ยคุณเปลี่ยนชื่อใหม่ คุณมีครอบครัวใหม่คุณห่มผ้าใหม่หนั่นแหละคือคุณมีตัวตนใหม่พระเนี่ยคือการเปลี่ยนร่างแปลงโฉมเปลี่ยนตัวตนใหม่มีชื่อใหม่มีพ่อคนใหม่มีครอบครัวใหม่นี่คือการเป็ี่ยนการเปลี่ยนตัวตนซึ่งต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยการลงทุนลงแรงแต่บริโภคนิยมบอก s s. สบายเปลี่ยนตัวตนใหม่แล้วคุณก็แค่ซื้อยี่ห้อนีน้ยี่ห้อนั้นคุณก็เป็นคนใหม่แล้ะนี่คือเสน่ห์ของบริโภคนิยม ประการที่สุดท้ายนะคือบริโภคนิยมทำให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนที่มั่นคงและยั่งยืนคนเราเนี่ยลึกๆเนี่ยมันไม่ได้กลัวตายนะแต่กลัวตัวตนขาดศูนย์ถ้าตายแล้วตัวตนไม่ขาดศูนย์นะก็ไม่กลัวตายเนี่ยคนสมัยก่อนนี้ไม่ค่อยกลัวตายเพรรู้ว่าเชื่อว่าตายแล้วเนี่ยมีสวรรค์ตายแล้วเนี่ยจะไปอยู่กับพระเจ้า เรมีความเชื่อแบบนี้เราก็เลยไม่ค่อยกลัวตายกันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้เรากลัวตายกันมากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเรากลัวตายแล้วเนี่ยจะหายดับบูบไปเลยแต่เดี๋ยวนี้แต่บางบางยุคบางสมัยเนี่ยคนก็ไม่กลัวตายถ้าหากว่าได้รับหลักประกันว่าตัวตายแต่ชื่ อ, อยังถ้าตายแล้วมีอนุสาวรีให้ตายแล้วมีชื่อในปอดิสารเนี่ยตายแล้วมีคุณมีคนตั้งถนนตั้งชื่อตามตั้งถนนตามชื่อของตัวมันก็หน้าตายนะ ไม่กลัวตายเพราะตัวตายแต่ชื่อยังตายแต่ตัวแต่ว่าชื่อนี่มันกลายเป็นอัตราตัวตนอย่างใหม่ที่สืบเนื่องต่อไปคนก็ยอมตายได้แต่เดี๋ยวนี้ไอ้ความคิดแบบนี้คนก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วนะไม่รู้จะตายไปทําไมตัวตายแต่ชื่อยังแต่ว่าบริโภคนี้ยมันเสนอทางออกหม่ว่าเอถ้าคุณมีวัตถุนี่นะตัวตวนคุณนี่ยิ่งมั่นคงนะ การมีวัตถุการเอาตัวตนไปผูกติดกับวัตถุที่มันเป็นรูปธรรมเป็นบ้านเป็นตึกเป็นอาคารเป็นที่ดินเนี่ยเรล่กๆมันทําให้เรู้สึกเรามีตัวตนที่มันคงมากขึ้นแล้วก็ยังอยู่ลายไปแล้วตึกก็ยังอยู่นะนี่เป็นต้นนะก็เลยทําให้บริโภคนิยมเนี่ยมันมีสเสน่ห์ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยทําหน้าที่ตอบสนอง ก่อนที่มีบริโภคนิยมในศะาสนาทุกศาสนานี่ยทำหน้าที่ตรงนี้คือการสร้างความมั่นคงให้แก่จิตใจเริ่มจากการรับถือพระเจ้าหรือรับเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจต่อมาก็ให้ทําความดีสร้างบุญกุศลเพื่อเกิดความมั่นใจว่าจะคลาวคลาดจากอันตรายขั้นต่อมาคือการมีสวรรค์มีพระเจ้าหรือนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิตรวมทั้งการฝึกขาดไขก่กล่าหรือปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับตัวตนให้สูงยิ่งขึ้น แต่พุทธศาสนานี่สาคัญตรงนี้นะพุทธศาสนาในก้าวไปถึงขั้นที่ว่าให้พ้นจากเรื่องตัวตนเพราะตัวตนนั้นแท้จริงหามีไม่ผู้ที่เข้าถึงความจริงขั้นสูงสุดย่อมหมดสิ่งความปรารถนาที่จะมีตัวตนที่มั่นคงและยั่งยืน